ในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะท่านกล่าวถึงเรื่องของกรร ม, มชรูปอะนะกล่าวถึงภาษาทรูปทั้งห้าจัคคูภาษาทะโตะะสตภาษาทะคานาภาษาทะชิวหาภาษาทและก็กายาภาษาทะในภาษาธรูปทั้ง5้าเนี่ยนะเป็นความใสของรูปแต่ละอย่าง ถ้าความใสแบบจกักรคประสาท่ก็สามารถที่จะรับภาพได้ความใสอันนี้เนี่ยนะถ้าใสามากรับภาพชัดใสน้อยเห็นไม่ชัดคุณภาพของความใสอันนี้เนี่ยน ะ, ะถ้าของมนุษย์เนี่ยที่เห็นได้แคบเพราะว่าหนึ่งอาศัยเลือดเป็นต้นเนี่ยนะที่ไม่ไม่บริสุทธนะิ์นักการรับภาพเลยรับได้สั้นรับได้แคบรับได้ใกล้ นะก็คืออูตุและโภชนะที่ไม่ดนะีทำให้การมองเห็นไม่ดีแต่ถ้าเป็นจากครูภาษาธาตของพระผู้มีพระภาคนั้นเะนะเห็นโดยรัศมีประมาณสิบหกกิโลเมตรโดยรอบทั้งกลางคืนและกลางวันเมื่อไรก็ได้ไม่ต้องใช้ตาทิ์หรอกตั้งแต่เด็กมาแล้วมองเห็นโดยรอบเลยส6หกกิโลเมตรประมาณนี้เกิดจากผลแห่งกรรมเกิดจากกุศล แม้แต่ความมืดประกอบไปด้วยองค์สีเนี่ยนะไปใครแอบไปวางเข้าของอะไรไว้ตรงไหนก็มองเห็นอมองเห็นเลยกลางวันกลางคืนเหมือนกันหมดมองลงดินก็ได้1ิดกิโลเมตรเหมือนกันอรอบเลย <Okay. S 1> ก็คิดดูไม่มีบุญอะไรที่ท่านไม่เคยทำอะอะความบริบูรณ์ของชาติสุดท้ายเนี่ยจึงมีมากมายมหาศาลนะนะพรานแอ มหาพุรูปที่ที่ใสาสามารถที่จะรับได้มากขนาดนั้นเนี่ยก็คือมหาพุรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุธานกรรมนั้นเนี่ยนะที่ให้ผลเป็นความใสามาสามารถรับภาพได้เนี่ยเป็นมีตันหานั่นแหละเป็นปัจจัยตันหาที่เป็นปัจจัยเกิดจากครูปะสสถานั้นถ้าหากว่า บางท่านก็คือตันหาที่มาจากรูปปตันหานั่นเองนะตันหาที่ยินดีในสีนั่นแหละเพราะนั้นพรมนี้ก็ยังยังเห็นสีอยู่นี่นะมเมื่อพรมยังเห็นสีอยู่ชาญจิตก็ยังเป็นปัจจัยแก่สีเราเรียกว่ารูปกระสินนี่น ะ, ะท่านเจริญกสินเป็นต้นเนี่นะเพราะฉะนั้นพรมเองก็ยังมีจากคูภาษาธะนี่นะ เพราะว่าไอ้อายไลการเห็นนั่นแหละทําให้ยินดีในสีเนี่ยนะก่อนที่จะเจริญฌานหลังจากออกฌานก็ยังยินดีในสีอยู่แต่ว่าเป็นยินดีพวกกสินนิมิตเป็นต้นเพรา ะ, ะนั้นรูปประพรมจึงมีตาจึงจึงมีหมหาพูทธ ร, รูปพอที่จะรับภาพได้เพราะไม่ได้ทําสัญญาวิราคะเพื่อที่จะไม่ให้มีรูปนะหรือส่วนอรูปประพรมนั้นอะที่ท่านไม่มีรูปเพราะท่านก้าวล่วงพวกนี้ทั้งหมดเลยนะ คมหมดเลยท่านจึงไม่มีรูปเพราะฉะนั้นมหาพูทธรูปความใสที่สามารถรับภาพได้เนี่ยก็เกิดจากการยินดีในสีนี่อย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งก็คือคนทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีตาข <c oughs> องอมายังจำได้เลยทำไมนั่นยังเป็นเนยเนี่ยเย็ยนๆนี่เอาเทียนเนี่ยไปจุดจุจุดจุดหน้าหน้าพระพุทธรูปนะจุดเยอะเลยัมเป็นกรรมอ่ะเป็นพุทธบูชามาง้อยากได้ตาจะได้ไม่ค่อยเสียนักเงี อยากอยากอยา ก, อยากได้จะได้มีตาดีๆกับเขาบ้างค่าแบบเนี้ยนะตั้งความปรารถนาไว้นะขอให้มีตาดีๆก็เอาเทียนเนี่ยไปจุดจุดจุดจุดบูชาพระเห็นไหมแล้วก็เออขอให้เรามีตาสว่างสวัยเห็นอย่างเงี้ยนะก็ก็เคยทําเหตุลักษณะวันนั้นเฉั้นคนที่อย่างพาระอนุรทธะเนี่ยท่านก็ทําเหตุแห่งตาทิพย์เนีไงนะก็เอาประทีปโคมไฟทําเป็นพุทธบูชา แล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีตาดีอ่ะอนจนทอนเะะนั้นคนที่ทําเหตุเพื่อให้เกิดตาตรงๆก็มีเพื่อให้ตาพิเศษเกินกว่าใครเนี่ยนะเรียกว่ามองคือคือสายตาของแต่ละคนเนี่ยอนุภาพแตกต่างกันเนยอะนะอนะอนุภาพของของตาเนี่ยเพั้นบางคนเนี่ยมองเห็นปั๊บเนี่ยคนบางคนเนี่ยถึงกับกลัวเลยก็มีบางคนถึงกับว่าชอบใจเลยก็มีเนี่ยนะ ติดซอยถึงก็แทบจะ ต, ติดซอยห้อยตามเลยเห็นแค่สายตาอย่างเดียวเนี่ยเพรา ะ, ะ ม, มีมีมีอิทธิพลค่อนข้างมากจริงๆเลยนะอบอกว่าตัวจกักรคูภาษาธะมองไม่เห็นจริงแต่สีที่เกิดร่วมกับจกักรคูภาษาธาตมีอยู่ใช่ไหมจกักรคูทักะกราบมีสีเกิดร่วมด้วยใช่ไหม น, น, นันก็เลยสามารถมองเห็นความตาใสตาดียัง เท่าที่เคยได้ยินมาเนี่ยพระเระบางรูปคนนับถือเพราะตาท่านสายะเออตาไม่ดุตาท่านเขร 04, ียกว่าสำนวนว่าตาเหมือนเด็กๆอะตาไม่ดุนะตาแป๊วอายุเป็นร้อยปีแล้วอะตาแป๊วก็ค <Dj inn os> ือกินนัวหรือปูแหวนอะจริงเลย แต่มีเยอะมีเยอะเพราะฉะนั้นคนที่ตาดีๆเนี่ยนะลูกหลานจะชอบตาไม่ดุตาไม่ไม่ขุนนะก็คนชราทั่วไปส่วนใหญ่ตาเนี่จะขุน่นจะมัวแต่พวกนี้ไม่มัวไม่ขุนนะยิ้มอ่ะเมตตาบางบางคนที่นคนอายุเกินร้อยปส่วนใหญ่ไม่ใช่คนดุเนี่ยนะไม่ใช่คนดุเป็นคนร่าเริงเว้นคนหัวเราะเก่งอย่างอย่างอย่างไปอ่านหนังสือวันก่อนจําได้วะอ่า กองคนหนึ่งะนะอายุร้อยกว่าปีแล้วบกอกกลงจะอยู่อีกเท่าไหร่บอกยี่สิบเขาร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยบอกอยู่ยี่สิบเขาพูดภาษาจีนอ่ะเป็นคนจีนเนี่ยนะแต่เป็นคนใจดีคนใจดีมีเครียกว่าอารมณ์ขำๆเนี่ยส่วนใหญ่จะตลอดเลยทําอะไรก็จะกระเดียดําไปด้วยนะอันนี้เรียกว่าคนประเภทนี้อายุยืนแต่คนเครียดๆหน่อยเนี่ยนะอย่างอื่นเนี่ยไปไปหมดอ่ะถ้าเกต ด, ดูช่วงไหนถ้าเรา สุขภาพจิตไม่ค่อยดีเนี่ยตาเราเนี่ยพร่าหมดเลยนะเนี่ยอย่างยกตัวอย่างวันไหนที่เราเครียดหรือว่ามีเหตุการณ์ที่เราใช้ความคิดมากๆเนี่ยตาเราจะรับภาพไม่ชัดเจนอะไรเนี่ยนะเห็นอะไรก็ไม่ไม่ค่อยดีนะักนะถ้าถ้าสังเกตดูงนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยหมาภูต ร, รูปที่ทำให้ใสเนี่ยนะซึ่งมีกรรมเป็นสมุลฐานแต่อย่าลืมว่า ปัจจัยหลักที่อุปถัมภ์คืออาหารชรูปและจิตตชะรูปอุตุชื้อรคเนี่ยนะนะมาอุปถัมภ์เขาไว้โยนนะเพราะะนนั้คนที่มีคุณภาพตาอย่างดีมายาวนานเนี่ยนะทั้งๆ ท, ท, ที่ใช้ชีวิตค่อนข้างวิบัติแต่ก็ตาก็ยังดีอยู่นั่นแหละอันนี้แสดงว่ากรรมเขาเขาค่อนข้างดีมากถ้าเขารักษาเป็นด้วยนะประโยค่าสมบัติด้วยเนี่ยโหดีอีกนานเนทะ่นะานั้นเองตาดีเป็นยังไงเนะี่ยตา เมื่อตายไปแล้วเลวนะก็คือก็ให้ทานไปนะครับก็ปารบทานนะกุศลก็อาจจะเพื่อให้ตาดีขึ้นก็ได้ครับชาติหน้าชาติหน้าทําให้มีตาดีนะเผลอส่วนหนึ่งเนี่ยนะอ่าสิ่งนั้นเนี่ยแล้วแต่การน้อมไปนะกุศลเหล่านั้นเนี่ยเมื่อทําไปแล้วเนี่ยบางคนมีตันหาอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างนะอย่างห้านนาทันคนหนึ่งอะ่ะตอนเป็นนักมวยเป็นนักมวยอะ่ะ เอาพาไปบูชาพระเจดีเนี่ยนะตั้งความปาะะรารถนาเลยว่าผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ญาติ เ, เห็นแล้วต้องติดใจเลย<ม>เออม น, น้อมไปได้นะแต่และแกเนี่ยทํากาเมย์มากนานชาติหลังเนี่ยทํากาเมย์บ่อยมากเลยแล้วพระราชาจะฆ่าก็คือจะสั่งประหารก็ไม่รู้จะสั่งยังไงเพราะมันเป็นหลานอนาถานะเป็นลูกเป็นหลานอนาถาบินิกะเนี่ยมันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็หลังก็ไปฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบัน มันอการทำเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วตั้งความปรารถนานั้นเป็นเหตุให้สำเร็ จ, รจก็อย่างยังมีใน แล้วก็หูก็เหมือนกันนี่นะหูเนี่ยก็คือเป็นความใสซึ่งถ้าหูของมนุษย์เนี่ยเกิดจากผลของบุญจริงๆเลยแต่บุญอันนั้นเนี่ยมีสัทธาตัณหาเนี่ยนะเป็นเป็นปัจจัยมีความยินดีในในเสียงนี่แหละเป็นปัจจัยทำให้กรรมนั้นอนะ่ะให้ผลเป็นเป็นหูเพราะว่า ถ้าหมดเชื้อแห่งตันหาแล้วจะมีไหมภาษาทรูปเนี่ยพระริยเจ้าซึ่งละตันหาได้หมดแล้วเนี่ยตันหาที่เป็นเหตุให้กรรมให้ผลเนี่ยไม่มีคือกรรมที่ให้ผลเนี่ยเพราะมีตันหาไถ้าละตันหาได้เด็ดขาดกรรมเหล่านั้นจะไม่ให้ผลเลยถึงจะทำบุญขนาดไหนเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างงี้ยนจริงแล้วพระพุทธเจ้านั้นมหากิริยาจิตเวลาพระองค์แสดงธรรมเป็นต้นเนี่ย ก็คือมหากุศลนั่นแหละแต่เกิดในสันานารของพภาธรหรันแต่ว่าไอ้ตัณหาที่เป็นเชื้อให้เจตนาเหล่านั้นให้ผลเนี่ยไม่มีแล้วสําหรับท่า น, เ, นนะเมื่อไม่มีก็เลยเป็นกิริยาไปนะก็ทําเป็นมหาเป็นมหากิริยาทําบุญไปอะไรไปแต่ก็ไม่มีผลในด้านอื่นๆไม่มีผลในด้านกรรมในสายกรรมเนี่ยไม่มีแล้วตัณหาจึงเป็นลักษณะอุปนิสัยปัจจัย อย่างเช่นพวังคจิตของเราทั้งหลายเนี่ยก็เป็นผลของมหากรุสสนี่ที่มีอยู่หล่อเลี้ยงกันเนี่ยแต่ว่าผลอันนี้เนี่ยถ้าไม่มีตัณหาปฏิสนธิจิตจะเกิดไม่ได้เพราะว่าการที่เวลาใกล้จะตายเนี่ยนถ้าหากว่าเป็นพระอรหันเนี่ยท่านก็เหมือนกับเทียนที่ที่จุดหมดทั้งเชื่อหมดทั้งไส้หมดทั้งอ เรกอะไรนะเพียนไขน่เ่นนะแล้วก็ตัวไข่ก็หมดด้วยตัวไส้ก็หมดนะพอหมดแล้วอะเหมือนกับหายแวบไปเลยเนี่ย น, นะเาเรียกว่าจิตดวงสุดท้ายท่านก็ไม่เป็นเชือ้อถ้าของสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเนี่ยนะอชวนะก่อนตายเนี่ยมันเป็นเพราะเชื้ออย่างแรงให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นนะไนะอชวิธีจิตก่อนตายอ่าเป็นทั้งเป็นปัจจัยหลายอย่างนะีแต่ตระกูลอุปนิสัยปัจจยัยเั้น เป็นเชื้อที่ให้ให้จิตปฏิสนธิเกิดและกรรมในอดีตก็มาให้ผลแล้วอย่างอื่นก็ประดังเข้ามาอีกแล้วพอการเกิดขึ้นเวลาปฏิสนธิมาแล้วเนี่ยด้วยรูปแค่สามกลุ่มเนี่ยนะด้วยจัคคูทัศกะเออไม่ใช่กายทัศกะภาวะทัศกะหัตยทัศกะสามกลุ่มเนี่ยสามกลุ่มเราเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีตามาตั้งแต่เกิดเลย ไม่มีจักรครูภาระธาทมาตั้งแต่เกิดเลยบางคนไม่มีโตสตภาษาธามาตั้งแต่เกิดเลยนะะบางคนไม่มีคานาภาษาธามาตั้งแต่เกิดเลยเพราะกรรมเป็นเหตุให้จักรครูภาษาธาไม่มีกรรมเป็นเหตุให้คานาระสาธาตุไม่มีกรรมให้เป็นเหตุโตสตภาษาธาไม่มีเนี่ยนะบางคนเนี่ยแต่ชิวหาภาษาธาตนี่น่าจะมีกันหมดนะวจารเขไม่มีงีนะนะ้นะนอน คนละกรรมเลยนะที่มาให้ผลเป็นตาเนี่ยนะบุญอย่างหนึ่งเลยนะมาให้เป็นจกักรคูภาษาทะบุญอีกคนละเรื่องเลยมาให้โตสตภาษาทะบุญอีกอย่างหนึ่งมาให้คานาภาษาทะบุญอีกอย่างหนึ่งมาให้เชิวหาภาษาทะบุญคนละเรื่องเลยมาให้ส่วนหัวบุญอีกคนละเรื่องมาให้ส่วนหูมาให้ส่วนคางส่วนจมกูกส่วนหน้าผากเนี่ยนะคนละบุญคนละบุญคนละบุญเลยนะมาประดําประดำํำ ร, รวมรวมกวม่าจะได้คนหนึ่งขึ้นมาเห็นไหม นันบุญนั้นมีคุณภาพมากหรือน้อยก็ก็แล้วแต่เหตุแต่ของพระผู้มีพระภาคเนี่ยไล่หมดเลยนะตั้งแต่เส้นพระเกศาเนี่ยนะไล่ามาจนถึงเท้าเนี่ยฝ่ามือฝ่าเท้าไปทํากรรมอะไรมาจึงเป็นลักษณะนั้นเนี่ยทําเหตุหมดเลยมันมาจากคนละบุญคนละบุญคนละบุญคนละบุ ญ, บญนั้นการเกิดมนุษย์ที่พระองค์ตรัสว่าเป็นของที่ได้มาโดยยากอะ่อนะเห็นไหมถ้าบุญไม่เพียงพอจริงๆก็รักษาความเป็นมนุษย์ก็ค่อนข้างยากะนะที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ก็คิดดูนะคนทั่วไปก็น่าจะอายุยาวก็ไม่ยาวบางคนไม่น่าอายุยาวก็ยาวอย่างงี้บางคนใช้ชีวิตวิบัติมากเลยนะอาหารก็กินบ้างไม่กินบ้างเป็นต้นเนี่ยจิตใจก็โหดร้ายทารุณอย่างงี้ย อ, อายุยาวจริงๆเลคนใจดีๆอายุสันนะ้นแ่ละเอาแน่นอนไม่ได้เพราะว่ารูปเนี่ยนะมันสมุดฐานมันเยอะปัจจัยมันเยอะแม้แต่กรรมสมุดฐานก็มาจากกรรมที่หลากหลายมากเนี่ย แล้วจิตอ่ะ ว, วันวันหนึ่งจิตตั้งไม่รู้กี่ประเภทแล้วอาหารล่ะวันหนึ่งเนี่ยอาหารตั้งหลายชนิดที่รับประทานเข้าไปเห็นไหเห็นอ่ะนะวิตามิน A อถึงแฝดเลยคุณหมโอโ ห, หนั้งเยอะแยะไปหมดเลยและยังอื่นอีกล่ะเห็ น, นแล้วพวกอุตว์อ่ะปัจจัยเยอะมากเลยนะการที่ที่ชีวิตเหล่านั้นจะเป็นอยู่ได้แต่ว่าที่เป็นไปหลักๆก็ด้วยอนุภาพของตัณหานั่นแหละเห็นไหม ถ้าไม่มีตัณหาเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่มีเลยเพราะวิธีที่จะละภพละชาติเป็นต้นก็คือการละตัณหานั่นเองในอริยศาสตร์บัพพะเนี่ยนะในสติปัฏฐานท่านจึงบอกว่าถ้าจะละตัณหาละที่ไหนท่านก็นมาไล่ทวานห ก, ก็คือไล่วัตถุหกไง น, นะตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายใน6อายตนะภายนอกหกที่จริงอายตนะภายนอกเนี่ยดูเหมือนนอกตัวนะ นอกตัวด้วยในตัวด้วยนะสีเนี่ยนะในตัวก็มีนอกตัวก็มีเสียงเนี่ยในตัวก็มีนอกตัวก็มีกลิ่นในตัวก็มีนอกตัวก็มีรถเนี่ยในตัวก็มีนอกตัวก็มีโพธะในตัวก็มีนอกตัวก็มีธรรมรมเนี่ยข้างในก็มีข้างนอกก็มีเยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกเมื่อทำปริญญาทั้งหมดในสิ่งเหล่านี้แล้วก็เส้นพบแล้ว ถ้าหากว่าทำปริญญาตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจไม่พอรูปเสียงกลิ่นรสโพชภะไม่สดยังไงก็อีกยาวเนี่ยนะสอไม่ผ่า น, นะนะไม่ผ่า น, านแต่ของมาคิดอย่างนี้นสะสมะสะสมบุญใช่ก็คือคือสังเกตจากหลายๆเรื่องนะเราไม่สามารถทำอะไรเสร็จวันเดียวใช่ไหมแล้วก็สะสมไว้ก่อนอย่างถ้าเราจะเจริญเนี่ยนะอย่างอย่าง อย่างนึกถึงจะไปต่างประเทศอย่างเง้เาเป้าหมายไปต่างประเทศไม่ใช่จะไปวันนี้แต่ก็โอซับสมอย่างอื่นมาตั้งหลายอย่างไงเพื่อที่จะไปต่างประเทศอันนี้การเจริญกุศลก็เหมือนกันนั้นพระองค์จึงใช้ศัพท์ว่าธรรมานุธรรมปฏิปติเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและการปฏิบัติธรรมนับตั้งแต่ศีลเป็นต้นนี่นะนับตั้งแต่กุศลศีลและกุศลศีลไม่ใช่อันเดียวใช่ไหมหัวข้อหลักๆ ก, ก็เรียกว่าจะตกภริสุทธีศีลสี่ประการ แล้วในจตุปริสุทธิ์ที่สีเนี่ยปาติโมกเนี่ยนะก็ขยายไปอีกถ้าของเราบอกว่าปาติโมกเราก็เอากรรมบทมาตั้งอะเอากรรมบทมาตั้งเนี่ยทำไมในกรรมบทจึงแสดงโดยมูลโดยเวทนาโดยอารมณ์โดยส่วนเป็นต้นนั่นะเพื่อให้เราไปวินิจฉยัยทุกๆอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั่นะถ้ามีสังขารเป็นอารมณ์ร่วงกรรมบทได้ได้บ้าง น, นะนะ ถ้าโลภามูลเป็นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยทำให้ร่วงกรรมบดใดได้บ้างโมหามูลเกิดขึ้นล่วงกรรมบทใดได้บ้างเนี่ยท่านให้ให้ในายเราไปไปพิจารณาต่อไปอีกถ้าเราพิจารณาเรื่องนี้อ่อนกุศลและอกุศลเราก็อ่อนเห็นไะหมนุษยธรรมเราก็อ่อนเมื่อมนุษยธรรมอ่อนเราก็ทําได้อย่างเดียวคือทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมากบ้างน้อยบ้างแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อความบ้นทุกข์อันนี้ได้ แต่ว่าจะให้พ้นทุกในชาตินี้ไม่ใช่ฐานะแน่นอนเพราะว่าบุญมันน้อยอะ่ะมันไม่สมควรกับโลกุตรธรรมอะ่นะยังจำได้มันไปที่ไปทาพาสปอร์ตนะเวลาทาเนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าผลลัพธ์ต้องเป็นอย่างเงี้ยที่มันที่มันทำยากอะ่ะเพราะมันมีผลลัพธ์ว่าต้องต้องอย่างนี้นะวันนี้ด้วยอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีผลลัพธ์ค่อยๆทำไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ คอยทำไปแต่นี้บอกมีผลลัพธ์อยู่แล้วว่าต้องอย่างนี้และวันนี้ด้วย ต, ต้องเสร็จก่อนนี้วันนั้นวันนี้ถ้าถ้าอย่างงี้ยากอันนี้เขาจะต้องอนุวัตตามันนั้นเหมือนกับสมมุติถ้าเราตั้งความปรารถนาโอ้อีกแสนกับข้างหน้าจะบรร ล, ลุโสราบันอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนี้ก็ก็เจริญกุศลไปมันจะไม่ค่อยเดือดร้อนมากนะักเหมือนกับว่าจะอยู่อีกยาวอว่างนั้น แต่ถ้าจะบอกว่าเออมันชาตินี้น่ะมีเวลาสมมุติอีกสิบปีเนี่ยโซดาบันต้องเอาให้ได้เงี้ยมันมีล็อกอยู่แล้วว่าภายในสิบปีเนี่ยโสดาบันเนี่ทีนี้มันมีบริขารบริวารอะไรบ้างของตัวมันก็ต้องรีบละเพื่อที่จะให้ได้อย่างนั้นแหละเนี่ยนะก็เหมือนกับพระมหาสีวะใช่ไหมท่านบอกว่าก่อนเข้าพรรษาท่านต้องบรรลุอันนี้มันเข้าไปแบบเอาจริงเอาจังมากตั้งตั้งเข็มไว้แล้วว่าก่อนเข้าพรรษาต้องบรรลุไม่บรรลุออกพรรษาต้องบรรลุไม่บรรลุอีก ทำไงอะ่ะก่อนเข้าพรรษาปีนี้ต้องบรรลุคิดอยู่อย่างนี้ทุกวันจะต้องบรรลุวันนี้วันนี้วัน น, น, นี้คิดอยู่30มปีอะ่ะคือเป้าหมายว่าจะต้องบรรลุอะ่ะ ไ, ไม่งั้นเนี่ยอายขายหน้าเขาอยางนั้นคนอย่างเรานี่แหมมันไม่น่ายากขนาดนั้นนะมันห น, นัก ม, มากแต่ที่จริงแล้วอินทรีย์ของท่านไม่แก่กล้าเนี่ยนะอินทรีย์หลายๆตัวไม่ไม่เพียงพ อ, อการที่รออินทรีย์แก่กล้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้การอย่างนี้เลย อย่างบางคนเนี่ยพระองค์บ่มอินทรีย์เขาคือยังไง ร, รู้ไหมไปคุยกันเฉยๆก่อนทําความคุ้นเคยรู้จักกันก่อนอย่างที่ว่าชาวนาเนี่ยนะชาวนาที่ที่ทํานาใกล้ๆแม่น้ํานเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์คนนี้จะต้องเป็นอย่างนี้สอนตอนนี้ไม่ได้แต่ถ้าไม่ทําความคุ้นเคยตั้งแต่วันนี้ถึงวันนั้นก็ช่วยไม่ได้ก็ทําความคุ้นเคยว่างาพรามณ์ทำนาลเลอกับทักทายแค่นั้นแหละไม่ได้ทําอะไรมากหรอก แต่เดินผ่านหน้าก็ทักทายกันหน่อยหลังจากที่แกจะเกี่ยวข้าวอะ่ะพุ่งนี้จะเกี่ยวข้าวแล้วฝนมันตกพาข้าวเนี่ยลงทะเลหมดเกลี้ยงเลยแกไปนอนชมร้องไห้เพราะว่าตั้งใจว่าอ่ะข้าวที่ได้อันนี้เนี่ยจะมาเลี้ยงพระพุทธเจ้าด้วยจะทําบุญด้วยเนี่ยนะก็ะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนแล้วพระองค์ก็ไปแสดงธรรมเขาก็บรลุเป็นพระโสดาบันก่อนหน้านั้นก็น่าจะแสดงให้บรรลุญก่อนไม่ได้อินทรีย์ยังไม่พร้อม ต้องต้องเวลานั้นต้องช่วงนั้นอย่างนี้เพราะองค์นี้เป็นเป็นผู้ที่มีอินทรียะประโรปริยติยานรู้ความอ่อนความแก่ของอินทรีย์นี่นะถ้าหากว่าคนที่จะเจริญกุศลธรรมเพื่อตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะถ้าตั้งผลลัพธ์ว่าจะต้องเอาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยน ะ, ะปริญญาสามก็จะต้องแม่นสมมติถ้าเราจะเอายาตะปริญญา ถ้ายาตะปริญญาณนะวิสุธทธิสองข้อเราต้องดีอยู่แล้วศีลวิสุธทธิกับจิตตวิสุธทธิเราต้องดีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าวิสุธทธิสองสองข้อต้นไม่ดีทิฏฐิวิสุธทธิก็จะอ่อนกําลังไปตามนั้นเนี่ยนะแม้แต่เรื่องนี้ยกตัวอย่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยสีมีสมุดฐานเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยให้นั่งคิดเป็นการเป็นงานดูสิวันนี้จะนั่งคิดเรื่องนี้ทั้งวันแหละคิดแต่ยี่สินาทีเท่านั้นแหละยังมาก เนี่ย น, นะเว้นไว้แต่อ่านหนังสือหรือขีดเขียนอะไรไปเรื่อยอันนี้จะได้ยาวแต่เอาเรื่องนี้มาตรึกจริงๆเนี่ยได้ไม่เกิน20นาทีเสร็จแล้วหมดแล้วคิดอีกคิดไม่ออกคิดแล้วคิดไม่ออกที่คิดไม่ออกเนี่ยเพราะกุศ ล, ลจิตฐานรองรับมันน้อยอะ่ะแต่ถ้าเราไปเจริญกุศลศีลให้มีปีติเจริญพุทธคุณธรรมคุณหรืออนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งให้กุศ ล, ลจิตเกิดอย่างดีก่อนแล้วเอาเรื่องนี้มาใหม่เอาเรื่องเดิมนั่นแหละที่ตรึกต่อนั่นแหละมาคิดใหม่ อย่างเงี้ยจะไปได้อีกเยอะเลยเสร็จแล้วขอบเขตของของการพิจรารนาก็หมดอีกหมดแล้วทำไงก็ต้องไปเจริญกรรมาฐานอย่างอื่นไล่มาใหม่อีกก็จะทำอยู่อย่างเงี้ยสลับกลับไปกลับปกลับไปกลับมาแล้วก็ไม่ใช่วันเดียวด้วยแต่ถ้าคนมีอินทรีย์ก็ไม่นานานนะนะมัน ก, ก็เราก็อย่าไปเที่ยวกับพระพาิยะกันแล้วกั น, น, นมันก็ต้อง อ, อาศัยการตีรณะปริญญาทุกอารมณ์เลยในในร่างกายของเราเนี่ยนะ อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกยกตัวอย่างผิวหนังไปเมื่อกี้เนี่ยว่าเออผิวหนังเนี่ยเป็นรูปารมเกิดขึ้นเมื่อเขาเป็นรูปารมเนี่ยก็ต้องวิจัยว่าเขาเป็นสีสีก่อให้เกิดนามเป็นอารามณะปัจจัยของนามแล้วน้มกี่อย่างที่มีสีเป็นอารามณะใช่หที่รู้สีอะนามกี่อย่างที่มารู้สีใช่มมันก็ต้องมาวิจัยกันละ จักรคูทวารวิถีเนี่ยนะทั้งวิถีเลยมีสีเป็นอารมณ์มโนทวารวิถีก็สามารถมีสีเป็นอารมณ์แล้วในจักรคูทวารวิถีเนี่ยก่อให้เกิดอคุศลอะไรได้บ้างเป็นกรรมอะไรบ้างเพราะอย่างไรก็ตามยาตะปริญญาในเรื่องกรรมต้องแม่นที่สุดไปถ้าเรื่องกรรมอ่อนอจะออกจากไหนอะ่ะเนี่ยนะเพราะถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมน้อยเราก็ต้องเป็นอุดเฉททิฐิหรือ ส, สัตตทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่ง ในอัธยาศัยนะในในอัธยาศัยของเราต้องมองเป็นอุเฉทิฏฐิหรือสัตตทิฏฐิแต่ถ้ามองเห็นกรรมและผลของกรรมเนี่ยนะความเป็นไปของเหตุของผลอย่างชัดเจนเมื่อเห็นกรรมและผลของกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยไม่ใช่ทั้งอุเฉทิฏฐิและสัตตทิฏฐิเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นความเป็นไปของสังสารทุกข์อย่างนี้เข้าก็เห็นโทษแล้วไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเห็นโทษของกรรมอ่ะ นะเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเจตนามีผลเมื่อเจตนามีผลเนี่ยเจตนาสามารถฉุดไปปฏิสนธิได้ตั้งตั้งมากครับเฉพาะกรรมที่เราทําในชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยนะก็สามารถชักไปปฏิสนธิได้ตั้งหลายชาติแล้วถ้าศึกษาคําสอนมาบอกแล้วอดีตชาติอะ่ะสังขารเนี่ยเป็นปัจจัยแก่วิญญาณสังขารก็ไม่ได้บอกว่าสังขารของชาติที่แล้วอย่างเดียวใช่ไหมถอยหลังไปอีกถอยหลังไปอีกนะั้นอ่ากตัตตาวาปณกรรมหรืออปราปริยะเจตนา สิ่งเหล่านั้นที่ทําเหตุไหมเนี่ยในอดีตแพบหลายๆพบเนี่ยสามารถให้เราไปปฏิสนธิได้เกือบทุกขนทุกแห่งเลยนี้เราก็พิจารณาถึงสัตว์ในอบายคืออบายเราก็ยังไม่พ้นเนี่ยนะกรรมที่เป็นเหตุไปปฏิสนธิในอบายหรือกรรมที่ปฏิสนธิในปิติวิสัยหรือกรรมที่ไปปฏิสนธิในอสุรกายหรือว่าติระฉานนี่ไแล้วติระฉานในความหลากหลายของสัตว์เดรฉานก็มากมาย เหตุที่เป็นไปในภพละนั้นมีหมดเลยเอาเมื่อมีหมดแล้วทำไงดีอ่ะคะ น, นี้คือรู้ว่าทิศทางของสังสารวัตเป็นไปอย่างนี้แน่นอนเราไปเป็นสภาพได้ทั้งหมดเลยในอบายสี่แล้วมนุษย์เนี่ยมนุษย์แต่ละสมมติว่ามนุษย์ชาวมีลักขะชาวปาชาวดงคนจิตใจเหี่ยมเกรียมคนพิการคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเอ้เหตุที่เป็นไปเป็นแบบนั้นเนี่ยเรามีหมดเลยอะ่ะเนี่ยนะ เมื่อมิมีหมดแบบเนี้ unaware? ทําไงเห็นโทษของเจตนากรรมอะเมื่อเห็นโทษของเจตนากรรมทํำยังไงดีอ่ะจะไม่ให้กำอันนี้มันให้ผลอ่ะเพราะทําทั้งกรำดําพร้อมทั้งกำขาวถ้ากำทั้งดําทั้งขาวให้ผลเนี่ยทั้งสุขทั้งทุกข์แน่นอนถ้าดําอย่างเดียวให้ผลเนี่ยทุกข์แน่นอนถ้าขาวอย่างเดียวก็ให้สุขแต่เอ๊ะมันไม่ค่อยขาวนี่สิปัญหาทําไงดีก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษทำไงเจริญตรรณะปริญญาเพื่อต้องการสลัดออกจากสิ่งนี้ เพราะต้องการสลัดออกแหละเนี่ยนะแต่ว่าสลัดออกเนี่ยมันสลัดไม่ง่ายไม่ได้มันจะต้องรู้ว่าทำไมเราต้องสลัดออกมันมีโทษยังไงบ้างเนี่ยนะเมื่อเห็นโทษแต่ก็เมื่อเห็นโทษแสดงว่าเราต้องเห็นอีกข้างหนึ่งใช่ไหมเห็นความน่าชื่นใจของสิ่งนั้นด้วยว่าสิ่งนั้นก่อให้เกิดความน่าชื่นใจอย่างไรถ้าเห็นแต่โทษอย่างเดียวไม่เห็นความน่าชื่นใจก็แสดงว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นเพียงพอเนี่ยนะ ก็รู้ทั้งความน่าชื่นใจก็คืออาาาัศทะนะอัาธะของสิ่งนั้นคืออะไรแล้วอาทธีนวะของสิ่งนั้นคืออะไรก็ต้องมองทั้งสองอย่างแล้วก็ช่างว่าเอออัอ า, าธะความน่าชื่นใจความน่าเพลิดเพลินของสิ่งนั้นหน่อยเดียวแต่อาทีนวะเนี่ยยาวนานมากมายมหาศาลก็เลยเห็นโทษมากนะนะเขาไข้ครวญถึงโทษมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอเห็นโทษอ่ะโทษของเข้าคืออะไร คือมีแล้วไม่มีเห็นไหมมีแล้วก็ไม่มีถ้าไม่ไข่ครวนเป็นอารามณปัจจัยให้อกุศลอีกต้องเข้าไปใคร่ครวนถ้าไม่ไข่ครวนอารามณปัจจัยของอกุศลก็ไข่ครวนเพื่อต้องการทํายังไงจึงจะเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นได้เห็นไะตีรณะปริญญาก็จะเกิดขึ้นใคร่ครวนถึงทุกขถึงโทษถึงไทยเนี่ยนะซึ่งเป็นเหตุแห่งชาติชราพยาธิมรณะเป็นต้นเนี่ยนะความเศร้าหมองของอารมณ์ด้วยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิต ต่างๆไปเกิดรับรู้ในสิ่งนั้นด้วยพอใคร่ควรวนเพื่อต้องการสลัดออกดังนั้นในการใคร่ควรวนเพื่อการสลัดออกนั้นก็คือการตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองตามเห็นโดยความเป็นทุกข์หรือตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาแต่รู้ความเป็นไปตลอดสายแล้วเขาต้องการสลัดออกอย่างเดียวดังนั้นการเจริญตีรณปริญญาเป็นต้นจึงเป็นการเจริญเพื่อต้องการสลัดออกถ้าตี uted, รณปริญญาไม่บริบูรณ์ พวกสมุดฐานรูปนามเป็นต้นเราก็จะไม่บริบูรณ์เลยนะเพราะว่าตีระปริญญาจะบริบูรณ์ได้เมื่อเห็นเหตุเกิดและความดับเนี่ยนะเหตุเกิดเขาจะเกิดเพราะอะไรเกิดถ้าเขาจะดับเพราะอะไรดับอย่างเงี้ยนเะอ่อถ้าเราเห็นทั้งเหตุเกิดทั้งความดับแสดงว่าตีระปริญญาเราบริบูรณ์ทีนี้ตีรณะปริญญาเนี่ยพระผู้มีพระภาคแสดงไว้เยอะนะเนี่ยแสดงไว้โดยอาการ40เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้จะโตทุกขโตโรคโตนาตโตสารโต แล้วก็ไม่ใช่อยู่เฉพาะตรงนั้นนะทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกกําลังใจอันนั้นเราเพียงพอไหมล่ะเนี่ยนะคล้ายคล้ความรู้มีแล้วล่ะทีนี้ทํายังไงที่จะเอาความรู้อันนี้ไปไปใส่ใจในในทุกๆอย่างเลยนะคล้ายกัว่าเราเข้าไปตัดแว่นเลยนะตาเราไม่ค่อยดีเอาแว่นมาใสาแ่แหละใส่ได้ทีนี้ก็เมื่อได้แว่นมาแล้วก็ต้องเอาไปสอบส่องทุกเรื่องอะ่ะให้มันเห็นเหมือนกันให้หมดเลยทุกอารมณ์อ่ะ ทุกอารมณ์สงเคราะห์โดยตีระปริญญาหมดเลยนนะตีระนปริญญาเข้าไปไข้ควรวนทุกอารมณ์เมื่อใคร่ควรวนทุกอารมณ์อย่างนี้มากๆขึ้นมันจึงจะเห็นความเป็นจริงของอารมณ์นั้นมากขึ้นคือเขามีเหตุเกิดเขามีความดับของเขาเมื่อรู้เหตุเกิดนั่นเรียกว่ารู้อะไรสัจจะเมื่อรู้เหตุเกิดเรียกรู้อะไรสัจจะสมุทัยสัจจะเมื่อรู้ความดับเรียกว่ารู้ทุกสัจอะ เหตุเกิดเหตุเกิดกับความดับเนี่ยนะไอตัวอันตัวไหนกระดับทุกข์สัตว์ทุกข์สัตว์นั่ะเป็นตัวดับไอตัวทุกข์สัตว์นั่นแหละเป็นเป็นทุกข์มีโทษแล้วมาจากเหตุเกิดเนี่ยทําให้เขาทุกข์แต่ถ้าไอเหตุเกิดอันนี้ดับทุกข์อันนั้นก็ก็ดับด้วยเสร็จแล้วถ้าปัญญามีคมกล้ามมากกว่านั้นจะไม่ใส่ใจความเกิดจะใส่ใจแต่ความดับ ก็จะเริ่มเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นขณะตั้งแต่เห็นความดับฝ่ายเดียวเขาจึงเรียบอนุปัสนาะเมื่อตามเห็นโดยความดับเป็นต้นไปแล้วเขาจึงเป็นพวกปหานะปริญญาแล้จึงจะเริ่มคลาย mm hmm. และในขณะที่ตามเห็นโดยความดับเป็นต้นเนี่ยนะหรืออนุปัสนาเกิดบริบูรณ์เนี่ยจะเริ่มเทียบเคียงแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษนิพพานไม่มีโทษก็จะมีการเทียบเคียงอย่างนี้ตลอด นะโดยอาการสามร้อยนะพวกกัสามร้อยนั่นในในใ น, น, น, นในปฏิสมัมพิธาที่พูการเขียนนะใช่ไหมเพราะไอ้ประวัติประวัติเป็นต้นเนี่ยนะมีสิบห้าข้อแล้วสายตรงกันข้ามอีกสิบห้าข้อแล้วเอามาคือประมาณสามรอยอ่ะประมาณห6กครั้งแล้วนะครครวนอย่างจริงๆอะ่ะเขาจึงสลัดได้ในช่วงใคร่ครวนนั้นเขาเรียกว่าประเภท อ, อาทีนวายาณ จึงต้องการสลัดเพราะชั่งเต็มที่แล้วจึงสลัดออกจากอารมณ์นั้นอ่ะสลัดไปอยู่ที่ไหนของเราก็จะไปวางไว้ในอากาศซึ่งอากาศไม่ใช่นิพานมันก็ต้องสลัดจากสังขารนิมิตอันนั้นโคตรภูยานจึงละนิมิตที่เป็นขันห้ามีนิพานเป็นอารมณ์ฮั้นสลัดได้เฉพาะนิมิตอย่างเดียวโคตรภูญานส่วนมัคคานนั้นสลัดจากนิมิตได้และสลัดจากอากิเลสที่เป็นเหตุ ให้ปฏิสนธิในภพที่แปดเป็นต้นของพระโสดาบันได้ที่จะมาเกิดเปนน็นสลัดจากขันด้วยสลัดจากกิเลสด้วยแล้วก็สลัดจากสังขารนิมิต ด, ด้วยแต่ถ้าโคตภูยาณสลัดออกจากสังขารนิมิตอย่างเดียวเี่ยมันก็ต้องเพระนั้นการไข่ครวนเนี่ยสูงมากเลยแล้วเก็บคะแนนไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันที่ที่จะไปเข้าถึงความคิดระดับนั้นเพราะอะไรเราไม่เคยมีความรู้สึกว่าสีที่เห็นเนี่ยคือโจรปล้นเลย ใช่ไหมไม่เคยคิดว่าเออการเห็นเนี่ยนะจิตที่เข้าไปรับรู้ทั้งหมดเป็นเหมือนบ้านร้างเลยอ่อนมากแล้วสีเนี่ยเบื้องหลังของสีคืออะไรมาพุรูธใช่ไหมอสา ร, รพิษเคยคิดถ้าอ่อนอย่างนี้ก็อ้ยยาว <laughs> อีกนานอย่างนั้นกว่าจะสลัดจากความยึดถือในอารมณ์นั้นนั้นได้หมายความว่ า, เ, าเรื่อง าการพิจารณาที่จะเป็นนิสรณะได้หมายความว่ า, าต้องต้องพิจารณาในเรื่องในเรื่องคุณและโทษเป็นอย่างมากใช่ไหมครับแล้วถ้าถึงจุดหนึ่งเขาก็จะสลัดเองไม่ใช่าอารมณ์ เ, เดียวยด้วยนะไม่ใช่ใคร่ครวญเฉพาะสีอย่างเดียวอายตนะสิบสองเลยอายตนะทั้งสิบสองนั่นแหละถูกใคร่ครวนแนวเดียวกันหมดเลยนะยก อ, า, อ า, าธาอาทีนวะเหตุเกิดความดับนิสรณะลงในสี ลงในตาลงในหูลงในเสียงนะลงในจมูกลงในกลิ่นลงในลิ้นลงในรสลงในกายในโพตภะในมโนและธรรมรมหรือบางทีเนี่ยในนิเทศท่านบอกว่าพิจารณาเห็นเหตุเกิดความดับอาสาทาอาทีนวะนิสรณะของภาษายตนาหใช้ภาษายตนาเลยนะให้ภาษาอังคูมดีใช่ไหมตาสีจักคูวิญญาณเรียกจักคูสัมผัส เพราะคนที่จะเข้าใจภาษาดีต้องเข้าใจธรรมะสามอย่างประชุมกันนะรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อ า, าธาอาทีนวะและนิสรณะของภาษายตนะทั้งหจึงจะจึงจะละกิเลสได้ <c oughs> ลองไล่ตั้งแต่ต้นนะครับที่พวกภิกษุผู้ฉลาดในฐานะเจอย่างเนี่ยนะคือหนึ่งเขารูปประคันก่อนนะหนึ่งรู้ชัดซึ่งรูปนะหนึ่ง ร, <c oughs> รู้ชัดซึ่งรูป <c oughs> สอง เหตุเกิดถึรูปสความดับแห่งรูปสี่อ่าสี่ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปนี้อันนี้อะไรครับอริยมรรคไงปฏิปทาให้ความดับห่งรูปแล้วจึงจะมาคุณนะครับแล้วจึงจะมาโทษแล้วจึงมาสลัดออกจึงจะครบเจ็ดเจนพานเลยสงสัยว่ามีอ่าขั้นที่สามคือปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปนี้ยังไงอนนั้นก็คืออริยมรรคไง ปฏิปทาก็คือเหมือนกับเราเคยได้ยินนะทุกทุกสมุทัยทุกคนิโร่แล้วก็ทุกขานินโรธาคามมนีปฏิปทาเพียงแต่ว่าแทนที่จะใช้คำว่าทุกก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแทนเท่านั้นเองก็หมายความว่าก่อนที่ะจะถึงจะถึงตรีระนาปิญญาณนั่นะก่อนที่จะถึงพิจารณาคุณโทษเนี่ยนะฮะเรารู้ชัดซึ่งรูปเหตุเกิดถึงรูปความดับหึงรูปแล้วก็อุบายเครื่องสลัดออกถ่งรูป เปตน์พ า, าปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปนี้อันนี้มันมาขั้นยังไงผมยังไม่ค่อยชัดเจนนะหมายความอาริยมรึกใช่ไหมครับอ่าคําว่าปฏิปทาก็คือเป็นเชื่อของอริยมรึกอรู้จากรูปก่อนใช่ไหมหนึ่งรู้หนึ่งรู้ชาตซึ่งรูปรู้จากรูปก็คือ 1, 1> รู้สองสมุสมสมทัยสามอัธังคมาเจตน์ดับแห่งรูปแล้วก็ปฏิปฏิาทา ป, ปฏาทาใหถึงความดับแห่งรูปเพื่อเพื่อให้เข้าถึงความดับแห่งรูปอันนี้อะไรครับ อ่าปฏิปทา น, นั่นแหละคือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติตหมายถึงสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั่นเองเห็นแล้วทำไมมาถึงขั้นทำไมมาขั้นตอนที่จะพิจารณาคุณโทษนะครับครับผมทวนนิดหน่อยนะครับคือในสัตธฐานสูตรนี่นะครับคือข้อแรกบอกว่ารู้ชัดซึ่งรูปเนี่ย เขว่ารู้ชัดซึ่งรูปหมายความว่าเราจะต้องรู้ลักษณะรู้รสะรูปเหตุรู้ปัจจุปทานปัจธาฐานนี่ใช่ไหมมะก็ว่ารู้สิ่งเหล่านี้จนทั่วก่อนใช่ไหมครับจนทัน่วมะก็ว่ารู้ชัดซึ่งรูปนะรู้ในลักษณะที่จตุกะที่ทิพกะว่าย่อๆใช่ไหมฮะถ้ารู้ลักษณะที่จตุกะของรูปก็หมายความว่านี่รู้ชัดซึ่งรูปแล้ว เราเริ่มปริญญาแรกก่อนเลยครับคือยาตาปริญญาก่อนเลยคำว่ารู้รูปนี่นะวันนี้รูปก็ต้องรู้โดยการนับก่อนครับรู้โดยการนับก่อนออรู้โดยการนับเนี่ยนะรูปมีเท่าไหร่อะไรบ้างในนี่ ด, ดก็คือรู้รูปทั้งหมดเลย ว่าถ้าเราจะวิเคราะห์อะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยถ้ายกผิวหนังมาเนี่ยในผิวหนังมีรูปเท่าไหร่รู้โดยการนับอันนี้รู้โดยการนับเสร็จ แ, แล้วว่าเมื่อรู้โดยการนับแยกแยะได้ก็รู้โดยในทั้งหมดนั้นแนหะเกิดจากสมุทฐานเท่าไหร่เนี่ยนะเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนั่นเองแต่ละรูปรูป้แต่ละรูปก็ไปรู้สมุทฐานขณะที่จตุกะเขาเขารู้หมดทุกอั น, นอเลยนะไปไปรู้สมุทรสงเคราะห์ลง ลักษณะที่จะกา ก, ก็คือสมุทฐานอข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับเหตุไก้ส่วนหนึ่งหเหตุใกล้กับสมุทฐานบางทีไม่เหมือนกันนะเหตุใกล้กับสมุทฐานเนี่ยไม่เหมือนกันครับถ้าเหตุใกล้สมมุติ ว, ว่ามหาภูตรูปใช่ไหมหมหาภูตารูปมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็คือมีมหาภูตรูปอีกสองอย่างอีกสามอย่างที่เหลือเป็นเหตุใกล้แต่ว่ามหาภูตรูปทั้งหมดเหล่านี้มีสมุทฐานอีกครสี่ อีกอย่างหนึ่งเห็เนไหมมหาภูตารูปแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ก็มีมาจากสมุธฐานแต่ละอย่างอันรู้โดยลักษณะที่เจตุกะด้วยและก็รู้โดยสมุธฐา น, านด้วยทีนี้ถ้ารู้มหาภูตารูปจริงๆเนี่ยจะต้องรู้ว่ามหาภูตรูปเนี่ยก่อให้เกิดอุปาทายรูปใดบ้างใช่ไหมเช่นมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมจะมีอุปาทายรูปอาศัยอยู่เท่าไหร่ มาพุตธรูปที่เกิดจากจิตมีอุปาทายรูปเกิดร่วมเท่าไหร่เนี่ยนะก็มาตีเรื่องกราบเรื่องสมุทฐานเนี่ยอย่างอย่างชัดเจนว่างั้นเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องนี้อย่างอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นนะครับการพิจารณาในนามรูปปาปริเฉษธยาณะเนี่ยหนีไม่พ้นในเรื่องลักษณะแล้วก็ปัจจัยด้วยต้องควบคู่กันไปพร้องมาเลยก็พร้อมกันนั่นแหละต้องไขพร่องกันหใช่ไหมฮะเจริญภารวมทั้งปัจจัยะปริคหายานะต้องเจิญภาไปด้วยเลยจึงจะเป็น ทิฏฐิที่เป็นอันนี้เป็นเป็นญาตาปริญญาอ่าเป็นยาตาปริญญ า, า, ญญาแล้วก็ถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวิสุทธิสองวิธิอ่าวิสุทธิสองก็คือหนึ่งทิฏฐิวิสุทธิกับกางขาวิจารณะกังข า, งขาวิจารณะเนี่ยนะได้ได้สองวิสุทธิในขณะที่พิจารณาอย่างที่ว่าเนี่ยครับถ้าพิจารณาโดย ตัวเข้าโดยลักษณะที่จะตกะอย่างดีเลยก็เป็นทิฏฐิวิสุทธิถ้ารู้สมุทฐานเป็นอย่างดีก็เป็นตังขาวิตรณวิสุทธิเนี่ยนะทีนี้ก่อนที่จะมารู้เหตุเกิดจริงๆเนี่ยนะต้องไข้ครวนพวกนี้โดยตีรณะอย่างละเอียดก่อนเนี่ยนะเข้าไปไข่ครวนเลยโดยไม่เที่ยงทีแรกไม่ได้เห็นว่าไม่เที่ยงแต่เข้าไปไข้ครวนในความไม่เที่ยงของเขา่ะ คือเขามีแล้วไม่มีนะแต่ไข้ครวนในความเป็นทุกข์ของเขาคือเขายัางไงน่ากลัวไปเหไข้ครวญในความเป็นอนัตตาของเขาก็คือไม่มีแกนไม่มีก<า>แกนสารแต่ก่อนที่จะมาอย่างเงี้ยรู้อยู่แล้วในความเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันของเขาอ่ะังั้นการพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปลนัตตาเนี่ยทั้งอดีตอนาคตทั้งหมดเลยนะแล้วสรุป เนี่ยนะนะทั้งมองทั้งเรกว่าท้าวิสุทธิมัติท่านบอกเลยนะอดีตชาติด้วยนะอนาคตชาติด้วยแล้ววิจัยปัจจุบันชาติเนี่ยนะนะปัจจุบันชาติเอาเอามาตั้งแต่เกิดถึงตายตายนะจุติปฏิสนธิอาทานานิเขปะสองวโยมถะก็คือมีชีวิตอยู่ร0 0ปีสมมตินะยกตัวอย่างร0 0ปีหาร สิบ <10. S 2> หารยี่บห้าเป็นต้นเนะี่ยหารห้าสิบหารร้อยอะไรนะแล้วเอามาไขาควรลงไอ้ไม่เที่ยงเป็นทุกแปรนัสตาลงให้หมดเลยนะนั่งไขควรอย่างเต็มที่อ่ะเอาหยาบหยาก่อนใช่ไหมพูดหนึ่งเลยเอาหยาบก่บอนก็คือหยาบที่สุดคือเกิดและตายอ่านะคืออันนี้พบเก่าครับนี่คือความไม่เที่ยงนนที่หยาบที่สุดใช่ไหม จเจริญพรอามาลก่อนก็คือรูปในอดีตภพก็หมดในภพอดีแล้วรูปในภพใหม่ที่จะมีขึ้นก็จะหมดในภพใหม่ไม่ถึงภพต่อไปอันรูปในภพนี้ก็จะไม่ถึงภพหน้าเพราะฉะนั้นอันนั้นก็อันนี้โดยภพก่อนอันนี้ยาบที่สุดเลยนะมองชีวิตสามชาติเลยแล้วถ้าใครดีก็ไม่ได้แค่สามชาติเพราะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่ได้ชาติเดียวใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เฉพาะอดีตชาติอย่างเดียวเสร็จแล้วต่อไปอีก มาแบ่งว่าเออนายตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยสรุปแล้วโดยเฉลีย่ยประมาณร้อยปีร้อยปีหารสิบก็เอาวนะัยนั่นน่ะวัยเด็กนะวัยเด็กวัยเล่นวัยอะไรก็ไปตามนะนะั้นน่ะใช่ไหมสิบปีแรกไม่ถึงสิปีที่สองสิปีที่สอ ง, สสองไม่ถึงสิปีที่สามก็ไล่ใคร่ครวญอย่างเงี้ยนะโดยอันนี้จังทุกขังอนัตตาอีกนั่นแหละอันนี้จังเพราะไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกเพราะหน่นากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีแกนสาม ไม่มีสาระเสร็จแล้วนะชำนาญอันนั้นดีก็มายี่สิบร้อยเนี่ยหารยี่สิบห้านะนะหรือสี่เท่า ไ, ไหร่นะึ่งในสี่อ่าหนึ่งในสี่สก็มาไครควเหมือนเดิมอีกนะจนชำนาญอีกแล้วก็100 50, วร้อยหารห้าสิบนะทุกทุกสองปีอ่ะ สองปีหนึ่งสองปีนี้ก็ไม่ถึงสองปีนี่สองปีนี่ก็ไม่ถึงสองปีเนี่ยนะเอาจนดีเลยทีนี้ร้อยปีหารร้อยเลยเร้อยปีหาร้อยทีนี้มาเหลือหนึ่งปีหนึ่งปีเนี่ยคูไอหารฤดูหนึ่งปีเนี่ยหารสี่ฤดูใช่ไหมแต่ปีงสามฤดูท่านเองนะหารสามฤดูหรือสี่เดือนถ้ากับเหลือถ้ากับสี่เดือนน่ะ ทนี้ในในแต่ละเดือนก็มาหารสองเป็นข้างขึ้นข้างแรมนันะสิบห้าวันข้างขึ้นข้างแรมก็หารแล้วไข้ ค, รควรอย่างนี้ทั้งหมดอีกนันะเมว่อเขาไข้ ค, รควรระดับนี้มน เ, เมื่อว่าเมื่อสิบห้าวันที่แล้วกับผ่านมาอีกสิบห้าวันเนี่ยลักษณะความเปลี่ยนแปลงเป็นเป็ น, ปนไม่เที่ยงกว่าดีเป็นทุกข์ก็ดีเป็นอนัตตาก็าดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เช่นผ่าน เธอเข้าไปใคร่ครวนว่าเอาเอไม่เที่ยงนะคือมันมีแล้วมันก็ไม่มีอ่ะเห็นไหมเรียกว่าอันนี้จังสิ่งเหล่านี้น่ากลัวเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะเข้าไปไคร่ครวนแต่ว่าเรื่องปัจจัยเนี่ยแตกฉานดีอยู่แล้วนะพอพูดถึงรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาปั๊บเนี่ยปัจจัยนี่รู้อยู่แล้วว่ามันมาจากอะไรอายกสมมุติว่ายกผม หนึ่งหนึ่งเส้นเนี่ยขึ้นมาปั๊บเนี่ยรู้อยู่แล้วสมุทรานเขาคืออะไรก็ไข้ครวญถึงความไม่เที่ยงง้องเข้าไปเนี่ยนะเสร็จแล้วอ่านะเอาเดือนมาหารสองไหมหนึ่งเดือนหารสองเป็นข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็มาหารสัปดาห์เนี่ยนะเอาอาทิตย์ละอะไยเป็นอาทิตย์นะวันอันจันก็หมาถึงวันอังคารเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นภายในวันจันทั์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกแปรนาตาวันอังคารก็หมาถึงวันพุธอย่างเงี้ยวันพุธก็หมาถึงพื่อหัดก็ไล่ไป ทีนี้แลนี้อยู่ในวิสุทธิมรรคหรืครับเชิญครับกไล่ไปอีกถ้าหากว่าให้ชำนาญเลยก็มาเอากลางคืนกับกลางวันวันหนึ่งเนี้ยแบ่งเป็นกลางคืนกับกลางวัน <ừ. S 1> กลางคืนก็ไม่ถึงกลางวั น, ก ล, วนกลางวันก็หม่ถึงกลางคืนทีนี้วันหนึ่งก็แบ่งโดยยามยาช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงค่าปัจหัวค่มมามัชชิมยามปัชชิมยามอย่างเงี้ยก็มาไล่นะทีนี้ ไล่จนอย่างเงี้ยจนทำนานก็ถึงสมุทฐานนะสมุทฐานเรื่องการยืออิริยาบทแล้วเข้ามายืนก็ไม่ถึงเดินเดินก็ไม่ถึงนั่งนั่งก็ไม่ถึงนอนอย่างเงี้ยนะจนทำนาเนสร็จแล้วเดินอย่างเดียวเนี่ยก็มามาซออีกเห็นไหมยกย่างเหยียดย้ายยันเนี่ยนะมาแบ่งโดยอาการเหล่านั้นอีกทั้งหมดเหนไหมเราะฉะนั้นเขามองชีวิตออกอย่างตลอดสาย แล้วค่อยไปต่อเรื่องสมุดฐานอีกครั้นี้เดีย๋ยวนะแล้วก็ไปไปใคร่ครัวเรื่องสมุดฐานให้แม่นอีกคือหมายความว่าถ้าปฏิบัติจริงๆสมมติว่าเมื่อเช้านี้กับเย็นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะก็มีลักษณะที่สามไปรักสามอย่างนี้ใช่ไหมครับคือเข้าไปเข้าไปไข้ครัควนในลักษณะสามของเขาะอะ แล้วก็ไม่ว่าใครครัวชีวิตเราเองหรือว่าคนอื่นก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าภายในภายนอกใช่ไหมเจริญพรทั้งภายในและภายนอกแล้วก็ใกล้ไกลเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมวันซืนนี้เมื่อเดือนที่แล้วแต่แบบช่วงหนึ่งวันอะใช่ไหมฮะในความใคร่ครัวอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องใช้ความคิดค่อนข้างมากอะใช้ก็ใช้ปัญญาามากมันวิจัยเลยนะพวงนี้พระที่ที่เจริญแบบนี้หลับน้อยมากเนี่ยนะ ผู้ที่เจริญแบบนี้จริงๆเนี่ยหลับน้อยมากวันสี่ชั่วโมงเนี่ยถือว่าหลับเต็มที่แล้วท่านก็ใกล้ครวลเรื่องนี้อย่างเพราะว่าเป้าหมายอยู่ว่ามันต้องบรรลุวันนี้ความความคิดของท่านจะเป็นลักษณะนั้นการการไตรครวลอย่างนี้ถ้าเราไม่มีความสุขจากสมถะเข้ามาช่วยหลอเลี้ยงถ้าจะหนักหนาอยู่นะโอ้ยู่ยู่อยู่ยากนะหนักหนาอยู่นะเช็ดตอแต่ถ้าหากว่าใครครวลได้ต่อเนื่องนะก็ไม่หนักเพราะว่ามันเป็นมหากุศลตลอดนีนะ แต่ส่วนใหญ่พระสมัยนั้นจะเจริญพุทธคุณทุกคนจะเจริญพุทธคุณเป็นนะถ้าถ้าเป็นสมัยที่สมัยพุทธกาลหรือสมัยหลังพุทธกาลสมัยก่อนก่อนวิสุทธิมรรคเนี่ยนะถ้าเหล่านั้นจะเจริญพุทธคุณคือจะหาความสมมุติว่าเครียดอย่างเงี้ยหรือกุศลไม่เจริญท่านก็เจริญพุทธคุณแนละหรือไม่ก็ฟังธรรมไปหากัลยาณมิตรให้ท่านฟังพูดธรรมะให้ให้ฟังอย่างเงี้ยนั้นกัลยาณมิตรเขาดีเขาได้สปายะตั้งหลายอย่าง อนน้นี่คือเรียกแบบฟอร์มของของอแต่ว่าบางท่านก็ไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้ะนะคือท่านอาจจะมีบุญเนี่ยนะอาจจะใช้เวลาไม่ต้องมากนะักท่านก็มองอย่างถึงหมดแล้วนะแต่ว่าแบบฟอร์มโดยกว้างอาะต้องเป็นลักษณะน ะ, อ, ะอาจจะมีคนท้วงว่าเอ๊กก็ในเมื่อยาตาปรปญญาก็ยังไม่ค่อยคล่องแล้วจะไปพิจารณาตีราปรัญญาอย่างไงอย่างที่ท่านนี่ใช่ไหมฮะเจ่ป ก็หมายความว่าก็จำเป็นต้องให้ยาตับลิญญาคล่องๆก่อนเจน้าพนทีนี้ถ้าการไข้ครวนอันนี้ที่ว่าไปอ่อนเหตุเกิดเราจะอ่อนด้วยเ พ, เพราะที่จะรู้เหตุเกิดเนี่ยนะก็ภาษาบาลีก็คืออุทยะอันนี้วัยะอันอุทยัพพยาญานก็คืออันนี้นั่นเองอรู้เหตุเกิดรู้ความดับเนี่ยนะถ้าคร่ครวนพวกนั้นไม่ได้อันนี้ไม่เกิด เนี่ยนะปัญญาที่ไปเห็นเหตุเกิดและความดับไม่มีเนี่ยนะโดยชั้นอุทยพย า, ยานไม่เกิดเพระอุทยพยาญยาไม่มีอ่ะจะแยกอันนี้ยังไม่ได้จะไม่รู้เลยว่าปฏิปทาอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิจะไม่เกิดเลยเพราะพอพิจารณาถึงเห็นเหตุเกิดความดับอันนี้แล้วอ่ะใส่ใจถึงอริยสัจได้เป็นอย่างดีนะเออถ้าอันนี้มี นะถ้าเหตุเกิดมีรูปกว่ามีถ้าไม่มีเหตุเกิดรูปกว่ดับแล้วสงเคราะห์อันนี้ลงปฏิจจสมุปบาทได้เห็นไหมมองปฏิจจสมุปบาทออกอย่างดีเลยมองอริยสัจที่เป็นโลกยะออกอย่างดีเลยเสร็จแล้วในช่วงเนี้เข้าใจขนาดนี้จะเกิดวิปัสสนูปกิเล ข, ขึ้นนะแล้วคุณถึงรูปโทษดถึงรูปมาเข้ามาในช่วงไหนครับใช่เราเราจะเข้ามาพิจารณ า, า, าอาศทะอาทีนวะเนี่ย ไม่ว่าขั้นสูงหรอยัใช่ไหมถ้าถ้าอาทีนวะคืนพวกนิพพิธายานเป็นต้นก็ต้องสูงกว่านี้อีกอต้องต้องสูงกว่านี้ฉะนันกว่าจะสลัดออกได้ไ ม, มันจะของธรรมดาอ่าเพราะมันนี่ยังไม่ได้สลัดอะไรเลยเพียงการรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อะไรเป็นอะไรแต่ว่าในช่วงเห็นได้ขนาดนี้เนี่ยวิปัสสนูปะกิเลสสิบจะเกิดขึ้นบางคนเนี่ยมีแสงสว่างหูยมากมาย เนี่ยนะบางคนก็มีปีติมีนิกันติมีอะไรต่างๆเนี่ยนึกว่าตัวเองบรรลุไปแล้วอะ่ะเนี่ยนะตัณหามาณนะก็เลยเกิดขึ้นก็จนมาแยกว่าเออไอวิปัสสูปกักเลียสิบไม่ใช่ทางการที่พิจารณาความเกิดความดับต่อไปเนี่ยปัญญาที่ไปพิจารณาอันนี้ต่อไปอันนั้นเป็นทางก็จะรู้ว่าเป็นมัคคามัคคายานัทนะวิสุทธิอันมัคคามัคคายาัศ น, นวิสุทธินั้นจะต้องเห็นเกิดดับก่อน เห็นแล้ววิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นแล้วเห็นเกิดดับแล้วแยกว่าถ้าไปสนใจในวิปัสสนูปกิเลสไม่ใช่ทางเพอมาพิจารณาอยู่อย่างนี้ต่อไปอันนี้เป็นทางอันนี้จึงจะรู้จักปฏิปทาเหคิดว่าตรงนี้มามามาถึงทางเบี่ยงเ น, นจึงจะรู้ว่าเออถ้าไปชมโอ้โหแสงสว่างเป็นต้นเนี่ยนึกว่าบารรลุแล้วละ่ะอย่างเงี้ย อันนี้ไม่ใช่ทางแล้วก็มาพิจารณานี้ต่อไปอีกจึงแยกว่าอะไรเป็นทางไม่ใช่ทางแล้วก็สามารถที่จะรู้โทษของเขาโทษของรูปจริงๆอะ่ะคืออะไรเป็นต้นเนี่ยนะอนนะพวก อ, อาธีนวายานพวกอะไรเป็นต้นจึงจะเกิดทีนี้อาธีนว า, านรู้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าในนี้ไม่ใช่ไม่มีอสาธาะนะก็รู้ว่ามีอาัศาทะแต่โทษมากกว่า ยินดีที่จะสลัดออกนิสรณะหรืออริยมรรคกับนิพพานจึงจะนาริยมรรคจึงจะเกิดขึ้นหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้รู mm hmm. หน่วงก็คือเพียงแต่ว่าเปลี่ยนนิมิตเท่านั้นเองอันนี้เรียกว่านิมิตเ่็นไหมถ้าปัญญาอันนี้สมมุติว่า น, นิมิตใช่ไหมนิพพานไม่รู้ไม่ไม่ใช่อย่างนี้นะนิพพาน นิพพานไม่ใช่แบบนี้นะก็เห็นว่าเออปัญญาที่เข้าไปเห็นปัญญาที่เห็นโทษของอันนี้จริงๆอ่ะนะใครครวนว่าอันนี้เป็นสังขารถ้าสลัดจากอันนี้เป็นนิพพานเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อเห็นโทษก็สลัดออกจากสังขารนิมิตแล้วก็น่วงนน่วงนิพพานเป็นอารมณ์ขนาดนั้นเป็นโคตโูยานอะไรเงี้ยเรียกว่าหลุดพ้นโดยส่วนเดียว คือหลุดพ้นจากนิมิตคืออารมณ์ที่เป็นขันธนิมิตเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์พอมรรคยานก็หลุดพ้นสองส่วนก็คือพ้นจากกิเลสเนี่ยนะเรียกว่าพอมาถึงขั้นนี้ความร้อนระดับนี้แล้วก็ปลูกขึ้นอีกไม่เกินเจ็ดชาติความร้อนต้องให้ถึงก่อนนะมันอันนี้เรียกว่าเป็นการเพ่งพินิจโดยหนึ่งในสามคือหนึ่งโดย อ่าโดยธาตุโดยอายตนะโดยปฏิจจภูบาทอันนี้เป็นแบบไหมครับธาตุอายตนะปฏิจจะเลยแล้วแต่ว่าอันใดอันหนึ่งก็คือเรื่องเดียวว่าเพียงแต่ว่าใส่ชื่ออะไรไปถนัดที่ที่จะเรียกอะไรเนี่ยถนัดที่จะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอะไรจะเป็นธาตก็ได้ใช่ไหมครับเพราะอันเดียวกันน่ยสภาวะอันเดียวกันอย่างเช่นจักรครูเนี่ยเรียกว่าธาตจักรครูธาตุเรียกอายตนะจักขายตนะเรียกขันเป็นรูปขัน แต่อย่าเริ่มว่าท่านบอกไว้เลยว่าผู้ที่จะตรัสรู้อันนี้เนี่ยนะถ้าพระที่ตรัสรู้ง่ายๆส่วนใหญ่เนี่ยนะปฏิบัติในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสสปะสองหมืปีเอาจริงเอาจังเนี่ยนะแล้วไม่ได้ตรัสรู้แล้วมาบรรลุง่ายในผู้ศาสนาของพร ะ, พระผู้มีพระภาคของเราแล้วพระที่ท่านปฏิบัติจริงๆตามคําสอนพระผู้มีพระภาคองค์นี้ถ้าไม่ได้บรรลุก็ไปบรรลุ พ, พระศรีอารนะนะไห น, นแต่เขาทําเหตุไว้ดีแล้วนะ ถ้าไม่ได้ทําเหตุไว้ก็อย่างว่าไปถึงพระ อ, องค์อีกก็ก็เหมือนกับเมื่อวานไม่ค่อยเข้าใจอนะมาวันนี้ก็จะเข้าใจเพิ่มสักเท่าไหร่เจ้นะถ้าวันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเอ๊ะพุ่งนี้เนี่ยถ้าไม่สนใจอีกก็เท่าเดิมอี ก, กแนนั้วแหละมันจะเป็นอุปนิสัยอ่นะก็กต้องผมต้องขอโทษด้วยเพราะว่านําเรื่องหนักๆมานะฟังเอาบุญแล้วก็เพื่อจะได้เป็นปัจจัยไปข้างหน้านะผมอ่านให้ฟังอีกเที่ยวนึงนะ นีในสังยุตตนิกายขันธวารวักหมายถึงว่าเป็นการพิจารณาขันที่เขียนในแสดงในกระดานดํานั้นเพียงรูปประขันอย่างเดียวนะเป็นรูปประขันอย่างเดียวยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกจึงจะต้องแสดงแตกต่างไปอย่างนี้นะครับนี่เป็นเรื่องของรูปขันอย่างเดียวท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ฉล า, าดในฐานะเจประการนะครับผู้เพ่งพินิษโดยวิธี3าประการเราเรียกว่ายอดบุรุษ อยู่จบพรหมจันทร์ในธรรมวินัยนี้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดซึ่งรูปขอประทานทั่วครับนี่ในกระดานดำนี่นะครับรู้ชัดซึ่งรูปนะครับรูปอย่างเดียวก่อนนะเวทธนาละไว้นะสเหตุเกิดแห่งรูป 3. ความดับแห่งรูป 4. ปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปอาจารย์แสดงหมดแล้ว5คุณแห่งรูป6โทษแห่งรูป7อุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้เพ่งพินิษฐ์โดยวิธี3ประการคือ 1. เพ่งพินิษโดยความเป็นธาตุประการหนึ่งคําว่าเพ่งพินิษ์นี่หมายความว่าเป็นการพิจารณาไต่ตรองอเป็นชื่อของปัญญานะครับสโดยความเป็นอายตนะอีกประการหนึ่ง 3. โดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทอีกประการหนึ่ง ถ้าหากว่าได้มีความฉลาดในฐานะเจ็ดประการนี้แล้วก็โดยมีการเพ่งพินิโดยวิธีสามประการนี้แล้วพระผู้ิภาคทรงตัดเรียกบุรุษว่าเป็นยอดบุรุษอยู่จบพรหมจรรย์นในธรรมวินัยนี้การไปเอาบุญ อ, อริยมรรคก็เกิดขึ้นนะคือของเราเนี่ยการศึกษาของเราต้องทำใจให้ถูกว่าศึกษาในแบบใตสรณคมเนี่ยแหละ เมือนกับศึกษาสารณะของเราว่าสารณะของเราเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยให้ให้ได้เท่านี้ก่อนให้ได้โลกิยะสาระคมก่อนคือเพราะว่าไม่งั้นเราไปอ่านเรื่องพระพุทธคุณเอ้เราก็จะเป็นพุทธเจ้าอีกก็แย่แล้ะไปอ่านประวัติภาษารีบุตรเอ้เราจะเป็นภาษารีบุตรอีกแล้วกลางวันไปอ่านพระอนนท์เี้จะเป็นพระอนนท์เองละไปอ่านพระอนุรุทธะเอ้จะมีตาทิพมองโลกพันหนึ่งอย่างเ้ยอันนี้ชักชักชักยุ่งเลยนะชักทุกข์ละสรุปแล้วไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยอนยะ่างนี้ เพรเราต้องศึกษาว่าเออนี่นะภาษาสดาของเราแสดงไว้เช่นนี้แล้วก็คําสอนเหล่านี้ผู้ที่ปฏิบัติแล้วบรร ล, ลุไม่ใช่ไม่มี ม, มีอยู่เนี่ยนะของเราก็มีศรัทธานับถือก่อนว่าเออนี่แหละถึงวันนี้เราทําไม่ได้ก็แนวทางนี้แหละหวังกันเถอะลักษณะนั้นคือ อ, อย่าเพิ่งคิดคาดในใจนะเพราะว่าถ้าเราคิดคาดพระธรรมในใจจะเป็นเครื่องกั้นอย่างหนึ่งซึ่งแต่ก่อน ผมเองก็มีมาก่อนนะเรื่องค้านนะเช่นตัวอย่างวันนี้ท่านเช่นตัวอย่างวันนี้นะครับเรื่องเรื่องตาเนี่ยนะถ้าบอกว่าพระพุทธภาคทรงมีพระจักษุสามารถเห็นได้ไกลถึงหนึ่งยอดคือสิบหกกิโลเมตรนี่นะครับแต่เราเนี่ยเอาเอาตัวเองเป็นมาตรฐานโอ้ยเราใครจะไปมองได้ถึงสิบหกิโลเมตรถ้าอย่างนี้ไม่ไม่ดีนะครับเพราะว่าเราเอาตัวเองเราเป็นมาตรฐานแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคิดอย่างห ย, ย, ยามนะครับ แม้แต่นกเหยื่อนะฮะหรือแรงนี่นะฮะเขามีสายตาเขาตาเขานิดเดียวนะแต่ตเขามองได้ไกลกว่ามนุษย์นะเราจะป่วยกล่าวไปลายกับตาของพระผู้มีพระภาคนะครับแม้แต่ตาเหยื่วซึ่งเกิดจากอากักขุนยังได้มีความสามารถถึงปานนั้นนะครับและกล้องสองทางไกลล่ะก็เอากระจกกระจกกระจกมาพวกแก้วพวกอะไรมาเรียงๆแล้วมองได้ตั้งแล้วกล้องสองดาวอ่ะครั บ, รบเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเอาของเราเนี่ย ไปเปรียบเทียบกับตาของพระพุทธรูปนะครับถ้าเราไปเปรียบเมื่อไหร่ก็เปรียบเหมือนกับไอ้มดมันมาเปรียบกับเราอ่ะไอ้มดมันมองเห็นแค่เนี้ครับไอ้มดบอกให้ยมนุษย์มองเห็นนู่นนะไปนู่นข้ามกว่าไปนู่นน่ยมดบอกให้ไม่จริงอ่ะไม่เชื่อเพราตามมดมันนิดเดียวอ่ะมันมองเห็นแค่คืบเดียวใช่เพราะฉะนั้นฉันไมายว่าฉันนั้นเทียบเทียบนะอย่างที่ผู้การเทียบว่ามดกับเราเนี่ยนะกับเรากับพระพมีธระภาคเนี่ยจะว่าไปเนี่ยของเราเนี่ยนะ ถ้าผู้มีประภาคเนี่ยเขาเซเนรุของเราฝุ่นเขาหิมาลัยอ่ะกับฝุ่นนะของเราเป็นใครของท่านเป็นใครอ่ะโอ้โหคนละเรื่องคนละราวคนละการคนละงานของพระองค์เนี่ยนะพรมเป็นเท่าไร่มาเนี่ยพรมเนี่ยเท่ากับเป็นสัมมาเนนของพระพุทธเจ้าอ่ะพระอง์เนี่ยครอบงำรัศมีสัตว์ทั้งหมดเลยไม่มีสัตว์ใดไปครอบงมพระองค์ได้นี่ยนะแล้วไม่ใช่พบเดียวด้วยนี่ยนะ เอาผ้าปะเจกมาเลยทั้งจั ก, กรวาลพระพุทธเจ้าองค์เดียวเนี่ยก็ประเสริฐกว่าแนละ้วคือคือห่างกันห่างกันจนไม่รู้จะห่างยังไงนะเพราะความห่างอย่างนั้นเนี่ยเราจึงไม่ไม่ควรที่เราจะเอาไปไปเปรียบเทียบอะไรแต่ทีนี้จุดยืน ท, ท, ที่ตั้งกับต้นเลยก็คือสารณคมเนี่ยนะให้ตรงนั้นเนี่ยแม่นแม่แมไว้ก่อนส่วนไหนที่ปฏิบัติไม่ได้แต่ก็มีศรัทธานางวิสาขาบวชไม่ได้แต่ก็ศรัทธานักบวชนะเพราะไม่ได้ปฏิเสธเลยอย่าไปบวชเลย ไม่ใช่เชิญพรเขาก็มีศรัทธาส่วนไหนที่เขาทาไม่ได้ก็ศรัทธานะยนะก็ศรัทธาอยู่อังก็ขอให้เราตั้งจิตให้ชอบถ้าเราตั้งจิตไม่ชอบอายุประวาัตไม่ยากคําเดียวเท่านันะ้นแหละยังจําได้อะที่นางอัมพาปาลีว่านะนะั่นแหละโอ้หญิงแพทย์สยามคนไหนมาถมน้ํำลายไว้ทั้งคําคนั้นคําคเดียวเนี่ยนะเป็นโสเภณีทั้งเกือบทั้งชาตินะี่นะนะแล้วก็ต่อหลังเอามาบวชแล้วก็นางเออ คุชุตราวุบาสิกาพระแม่เจ้าช่วยหยิบมันนั้นให้หน่อยสิอนะนนเอ๊ถ้าไม่หยิบให้ตกนรกหยิบให้เป็นาธาตุนะธาตุก็ดีก็ดีก็ตกนรกท่านก็เลยหยิบให้เลยเอนนะก็ได้เป็นาธาตุจริงๆอ่ะเป็นคุดอันะัแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งพระประเจกอง์หนึ่งเนี่ยท่านเดินหลังท่านไม่ค่อยดีเนี่ยโค้งๆ อ, อ่ะคุชุตราวานี่ไปเรียนแบบพระผู้เป็นเจ้าท่านเดินอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้เรียนแบบเลยชาติสุดท้ายค่อม ก็เลยได้ค่อมเลยแล้วก็นางกลุ่มนางสามาว ด, ดีอ่ะที่ที่ที่ถูกเผาก็คือเห็นพระประเจกแล้วตั้งใจเผาเลยอ่ะทีแรกหนาวเสร็จแล้วเอาไฟมาจุดเพื่อจะพิงพอจุดไปก็เอ้าพระนี่เล้เอเนี่ยเดี๋ยวพระราชารู้เนี่ยตายแน่พวราหาเฟินมาสุมสมสมสมหาฟืนเนี่ยนะสมแล้วก็จุดไฟเลยส่งเลยลถูกเผาอยางงี้อีกหลายชาติ นะเพราะไอ้เจตนาที่คิดเผาตอนหลังเนี่ยนะเป็นบาปอันนะั้นะนะและวคิ ด, ดูนะในคำคำเดียวที่พระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นโชติปาระมานพใช่ั้มนะไปหาทำไมสมณะโลนว่า ง, งั้นโพธิยานท่านได้โดยยากอะ่ะคำนั้นเนี่ยนะท่านมาปฏิบัติผิดหกปีอะ่ะน้อมให้คิดผิดตลอดเลยหกปีเนี่ยันวจีคำเนี่ยสำคัญมากแล้วถ้าหากว่าเราเรียนเรื่องไอ้จุตูปปาตยานดีเนี่ยนะ ติเตียนท่าอารียาเจ้าอ่ะตรงนั้นเนี่ยอันถ้าติเตียอายุประวาติเนี่ยห้ามสวรรค์กับห้ามนิพพานถ้าไม่ให้ท่านโอทโทษเนี่ยนะไม่ไม่ขอโทษไม่ขอขมาเนี่ยห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานในอัตถกถามหานิเทศบอกไปอย่างนี้เล ย, ขอขอยจุดทอนท่านขอขมาพระรัตนะตรายเนี่ยที่จริงควรเป็นไปได้ก็ควรแต่ทุกวันน่นแหละแต่จะให้ดีเนี่ยนะเพราะว่าเพื่อที่จะได้ตั้งใจสังวอนสํารวมระวัง ถ้าหากว่าเราสังเกตนะคนไทยคนไทยโบราณเลยนะพูดถึงพระรัตนตรัยนี่เขาเคารพยกมือไหว้ด้วยนะยังจําภาพได้แ ม, แม่แม่คุณสุรีเนี่ยนะอ่าพระพระรัพระศีรัตนตรยัย<ไ>ยกไหว้เลยแล้วก็พูดแล้วก็ยกไหว้แล้วก็ค่อยคุยเรื่องอื่นตาเลยเคารพมากเออคนไทยโบราณเนี่ยนะคนไทยโบราณที่เป็นคนไทยแท้กรุงเทพเลยนะจะศรัทธา ม, มากจริงๆนะถ้าถ้าเป็นคนไทยแท้เลยนะ ท, ที่ในตัวเมืองเนี่ยนะในในตัวกรุงเทพสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาเคารพมากสังเกตเราเยอะแหละเพราะฉะนั้นเขาเขาศรัทธาจริงๆเลยแต่แต่ทีนี้มามายุคหลงังๆมาเนี่ยที่ที่ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาบ้างเพราะฉะนั้นคือที่ตามที่สูงก็อ่อนไปอ่ะนะนนนนแล้วพม่าเขาก็เหมือนกันนะมีที่ที่ว่า ต่างประเทศจะใส่รองเท้าเนี่ยเดินไปในลานพระเจดีย์เขาพร้อมกันไปนอนเลยเหยี ย, ยบหลังเขาดีกว่าที่จะไปเหยียบแบบนั้ น, นแล้วการเหยียบพื้นพระเจดีย์เป็นต้นด้วยความไม่เคารพเนี่ยนะหรือไปเหยียบของสงด้วยความไม่เคารพเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารที่ถูกกรีดเท้าอ่ะเพราะฉะนั้นสภาพจิตของเราเนี่ยนะเข้าไปเกี่ยวกับสิ่งใดมีผลหมดเลยเนี่ย เกี่ยวข้องดีหรือไม่ดีมีผลกับชีวิตเราหมดเลยเพรา ะ, ะผู้ศาสนาเป็นกรรมวาทีไงทำไมจึงท่านจึงกล่าวว่าการทำบุญกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีที่เป็นนาบุญของโลกมีผลหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะแต่ก็ใครที่ไปทำบาปกับท่านก็บาป <c oughs> หนักจริงๆนะอ๋อนี่ใไม่ใหม่วิจารณ์อะ ใ ง, ง, ง, ง, ง, งั้นของเราเนี่ยนะพยายามทำยังไงศึกษาให้ปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ส่วนไหนทำไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยพะเราไปทำได้หมดเนี่ยโอ้โหเราปับนนี้เราไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะนะเพราะว่า เ อ, เอาเข้าเป็นการบป็นงานเนี่ยของเอามายังนึกเลยนะนึกบ่อยด้วยนะไม่ใช่นึกแบบพูย์เพื่ออะไรเออเรื่องอะไรที่เรารู้จริงบางสักเรื่องหนึ่งเอาเอย่อางเงี้ยรู้ไมจริงสักเรื่องเลยนะถ้าถ้าสังเกตดูนะอย่างอย่างยกตัวอย่างนะรธรรมะเนี่ยเอาสักสูตรที่รู้จริงๆเลยเอ้าทำมาไล่วิจารณ์แล้วอธิบายลงให้มันดีๆเลยไม่างตันใช่เอาเป็นการเป็นงานจริงๆดานไม่ได้ก็ยัง พูดกับสัมเณยเนี่ยนะเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับความรู้แบบเป็ดๆนั่นแหละเขาบอกงั้นเหมือนกับเพลงเนี่ยนะบางคนก็ร้องเพลงได้นะแต่ก็ไปที่ไหนก็ร้องได้แต่ว่าตั้งวงให้ไม่ได้วงแตกแบบนั้นนะก็เอาเป็นอาชีพเป็นการเป็นงานไม่ได้แต่ว่าพอไปกระล่อมกระเล่มไปวันๆเนี่ยพอได้เราก็จะเห็นว่าโอ้อินรียบารมีบุญกุศลเราเจริญไว้ไม่มากนักเหมือนกันที่ไม่มากเนี่ยตรงนั้นก็ไม่ได้เสียหายหรอก เสียหายก็คือวิธีการที่ปิดกั้นตัวเองไม่ให้เจริญสูงเนี่ยตรงนั้นแหละเสียหายสย่าีต่ศรัทธายังไม่เกิดก็ไม่เป็นไร เจ้าศรัทธายังไม่เกิดก็เอาไว้ก่อนแต่ถ้าหากว่าถึงกับจ้วงจ่าเป็นต้นเนี่ยนะลําบากก็บางท่านก็เนี่ยท่านก็พูดบอกว่าวัวไม่ได้สั่งบา ร, รมีมาขนาดนั้นคลอดพักเดียวกับเดินไม่ปล้อเลยนะนี่ท่านบําเพ็ญบารมีมาตั้งมากนั้นเอาเราไปเทียบไม่ได้ก <c oughs> <c oughs> ินนะ วัวเนี่ยหอมาเนี่ยมีวัวตั้งหลายตัวคลอดมาเราก็ไปแก่เล็บอ่อนๆมันออกอ่อนทักเดียวมันวิ่งกล้างนะนั่นแหละคลอดแป๊บเดียวก็เดินได้แล้วแต่ทีนี้เราเอาของเราไปเทียบพระพูทมีพระภาคไม่ได้ของพระองค์เนี่ยนะเอางี้นะผ้าโนนดีกว่าผ้าโนนเนี่ยฟังพุทพธพจน์บทหนึ่งเนี่ยนะขยายได้หกหมืนบทเนี่ยของเราพุทพธพจน์ตรงๆเนี่ยจําให้มันได้เถอะไม่ต้องขยายเลย เห็นไหมห่างกัน<ร>ไม่รู้จะ<ร>ห่างกันยังไงเห็นไหใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็อย่างว่านะมันด้วยอํานาจมานะมันอดเปรียบไม่ได้เนี่ยนะใช่ไหมจะเห็นคนรูปหล่ออย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะเราขนาดนั้นหรอมันจะเป็นไปทุกเร่องเลยอะอรากกามมประการอุปาทานและอุปาทานซีนเจตน่์ป้า ใช่คือถ้าหากว่าพระเวสสันดรเนี่ยนะเป็นคนที่มองชีวิตตลอดสายแล้วแล้วท่านเนี่ยหมายใจแล้วว่าชาติหน้าต่อไปถ้าท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่ท่านหมายใจขนาดนั้นนยถามว่าอาศัยอะไรเป็ น, นมิตก็คือพอพระ อ, อินทร์ให้พปรปั๊บท่านขอพร อ, อยู่ข้อห น, นึ่งว่าไปดูสิทธิ์แล้วลงจากดูสิทธิ์ต้องมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะท้าวสก่าให้พร ฉันคนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเขาเขามองชีวิตเนี่ยเขามองตลอดสายมากได้ยางหนึ่งแรงอธิษฐานหรือความป่าถนาที่ตั้งไว้เมื่อสีอสงไขยแสนกับที่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาฉลาดคิดกว่าคนธรรมดาอย่างยกตัวอย่างนะทำไมท่านจึงกล้าควักดวงตาให้ทานได้เพราะท่านก็จะสามารถมีอุทาหรณ์ว่า คนในโลกเนี่ยที่ตาบอดกันเยอะแยะไม่ให้ทานก็บอดไม่ให้ทานก็ถูกควักตาแต่ของท่านไหนๆก็ถูกควักแต่ควักสร้างบารมีใช่ไหมไอย่างคนหัวขาดนี่ก็มีเยอะแยะไปไอ้ขาดแบบไปทําชั่วมาแล้วหัวขาดแล้วท่านจะเอาหัวของท่านเน่ยทําบุญไม่ได้หรือยังไงอย่างคนผ่าหัวใจเนี่ยเขาก็ผ่ากันเยอะแยะใช่ไหมไอ้ผ่าธรรมนานะผ่าเจ็บฟรีด้วย ของท่านผ่าแล้วได้สร้างบารมีอ่ะนะอย่างครอบครัวนะชีวิตครอบครัวใครไม่จากบ้างอะ่ะใครจะอยู่ด้วยกันนานตลอดไปเลยฉันกับเธออยู่กันอีกนานแน่พ่อกับลูกอยู่กันอีกนานที่จริงนะทำใจ ย, ยกให้ทานเขาก็ไปตามเรื่องของลูกนั่นแหละยกให้ไม่ให้เขาก็ตามเรื่องของเ้านั่นแหละที่จริงนะฟังอาจารย์เสียรยีจานเรื่องนี้เนี่ยเพียงแค่ พระพชรันน์นั่นเนี่ยอ่าพระพชร น, นันน์นั้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่ทําแบบที่เราคิดนะเช่นสมมติว่าให้ลูกเป็นทานเนี่ยนะครับให้ลูกเป็นเป็นทานให้ชูโชกไปนะฮะแต่ตั้งไว้นะครับตั้งค่าของลูกไว้นะฮะเท่าไหรเท่าไหรนะคนธรรมดาในเมืองนั้นหมดสิทธิ์ที่จะไปถ่ายถอนเว้นพระเจ้าตาเป็นพระเจ้าปู่เท่านั้นนะที่จะถ่ายถอนได้นะเพราะฉะนั้นตั้งไปแล้วนะแล้วก็เมื่อ บริจาคไปแล้วนี่นะครับลูกจะได้ไปสบา ย, ยทีเข้าไปอยู่ในเมืองอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านวิจารณ์นะพระอโอ้ไม่ใช่จริงอย่างเราคิดนะหลายเรื่องหลายเรื่องของเราเนี่ยน ะ, ะเราไม่ใช่คนที่ที่มีความปรารถนาเพื่อเพื่อที่จะรื้อคนสัตว์เนี่ยนะเราก็จะคิดแบบเราอะ่ะใช่ใชแต่ของพระ อ, องค์เนี่ยนะเยาว่าลูกเลย แล้วพระองค์ก็บอกนะว่าลูกไม่ใช่ไม่รักก็รักเท่าชีวิตนั่นแหละภรรยาก็ไม่ใช่ไม่รักก็รักเท่าชีวิตนั่นแหละนะถ้ามีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต้องตายแทนครอบครัวก็ตายได้แต่ไม่ใช่ไม่รักแต่ว่ารักโพธิญาณมากกว่านะเพราะเหตุแห่งโพธิญานเนี่ยนะทั้งทุกอย่างเนี่ยเอาทําสละหมดเลยเพื่อโพธิญาท่านทําได้อะเนี่ยนะนะไม่รู้อะม่านเมืองให้เป็นทานยกให้ได้เลยเนี่ยนะ อย่างอื่นก็ให้เป็นทานได้หมดถามว่าเพราะท่านมีอัธยาศัยอัธยาศัยเดียวเ mm hmm. นคข ม, มัธยาศัยนะอะโลภัธยาศัยอมโมหัตย า, ายศัยอโธสัธยาศัยและเนคข ม, มัตยาศัยแล้วเนคขมมะบา ร, รมีของท่านเนี่ยเห็นพบสามเหมือนไฟไหม้ตลอดนะโดยอัธยาศัยปกติของท่านแล้วพบสาเหมือนไฟไหม้อยู่ท่านจึงไม่ได้มีความยินดีหรือรู้สึกแบบที่เรารู้สึกกันเลยนะ ถ้าอย่างอย่างธรรมดาคนสมัยเนี่ยแม้แค่ออกบวชเฉยๆเนี่ยก็ต้องสละบ้านสละเรือนสละอะไรกันหมดแล้วใช่ไหมหรือถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศนะไม่สละบ้านเรือนก็เหมือนสละเพราะทําอะไรไม่ได้ทักอย่างใช่ไหมหลูกหลานเราเนี่ยนะมันก็ห้องจากกันอยู่ดีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะอยู่ด้วยกันนานในอะไรหรอกแต่ทีนี้ โลกโาโมาเนเจอร์แโวรฟิกอะ่ะเขาถ่ายให้ดูเลยว่าบ้านที่สร้างคือเขาก็อยู่บนยอดอะไรเงี่ยทีนดินมันร่วนนะฮะบ้านนี้แยกออกไเป็นปสองชิ้นเลยนะฮะสองสองอันเลยแล้วไม่ใช่สองอันคือแยกออกไปเลยอะ่ะและ้วซื้อโอ้โหกี่ล้านเหาารียญก็ไม่ทาบก็มานั่งดึงแล้วแล้วมันก็ที่ทางด่วนไอ้ทางทางทางหลวงเนี่ยมีก้อนหินก้อนอะไรไเออ ออกตกลงมาเรื่อยอ่ะถล่มลงมาเรื่อยเรื่อยเื่อยแต่มีอยู่คนหนึ่งขับรถไปแล้วเสี่ยวบอกว่ามีก้อนหินก้อนเริ่มตกลงมาไม่ตาย <laughs> แต่แต่รถก็พ<ช>ังไปเ<ช>ยอะเหมือนกันนะความวามิบัติของที่ถแถวแคลิฟอร์เนียที่อออถนนสองชัน้นยังเหมือนแซนวิชฟันอ่เป็นเป็นอย่างนั้นจริง คือความเป็นไปของโลกเนี่ยนะโลกไม่ไม่ไ ม, ไม่มีความปลอดภัยอะไรเลยแต่ทีนี้เพราะความที่ไอ้ตันหาของเราเนี่ยมันไปฉาบทาเนี่ยนะเลยก็เลยมันปิดเอาไว้อะ ท, ทั้งทั้งที่ทุกข์ก็เป็นภัยใหญ่ของโลกะนะทุกข์ชาติชราพยาธิมรณะเนี่ยนะที่กำลังเป็นไปเนี่ยไม่ได้เป็นของลึกซึ้งอะไรเลยนะหยาบมนุษยจะหยาบยังไงเพียงแต่ว่าไอ้ไอ้อวิชามันปิดแล้วก็ตันหามันก็เลยฉาบไว้อีกอย่างหนึ่งซะเห็นไหมมันเข้าใจผิด หรือว่าด้วยอํานาจวิปลาสเนี่ยนะนั้นแล้วอหาําคัญคนชี้ทางเราก็ไม่มีศรัทธานในท่านแต่ละที่ที่จะออกจากสังสารทุกข์เนี่ยนะตรงกันข้ามก็ปฏิเสธพระผู้มีพระภาคนะเมื่อปฏิเสธคนชี้ทางแล เ, เออแม้กระทั่งการสร้างบารมีของท่านคนทั่วไปก็ไม่ศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยนะเมื่อไม่ศรัทธาเนี่ยก็เหมาะสมแล้วที่เขาจะอยู่ในวัฏฏะอีกต่อไปเนี่ยนะแต่ของพระองค์เนี่ยทำอย่างนั้นเนี่ยพระองค์นิพพานหมดแล้วนะ แล้วก็การหาชาลีกันหาก็คือใครนางอุบลวรรณชาลีก็คือพระราหุล น, นะภรรยาที่ให้เป็นทางก็พนางพิมพานนิพานหมดเลยละกิเลสได้หมดและเหลือแต่ใครจะมีตายาขนาด <laughs> ของเราเนี่ยนะไม่ได้บริจากระไรเลยก็อยู่เท่าเดิมนั่นแหละเนงะ <laughs> ยังไม่ได้ไปไหนเลยแต่แล้วอย่างหนึ่งพุทธยานเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอจินไต้นะเรื่องพุทธคุณเนี่ยเป็นอาจินไต้ไม่ใช่ วิสัยของคนธรรมดาจะไปรู้ได้พระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นจึงจะรู้ได้เนี่ยนะแล้วพระอนาคามีหลายท่านก็บอกเลยข้าพเจ้าเป็นใครพระสมณโคดมเป็นใครเนี่ยนะที่ข้าพเจ้าจะไปรู้จักพระสมณโคดมนั้นคนที่จะรู้จักพระพุทธเจ้าดีก็คือพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นเองนะนั้นพระสารีบดุลซึ่งมีปัญญาก็อบอกว่าฝนตกเนี่ยนะในห่วงจั ก, กรวาลท่านคำนวณได้ว่ากี่กี่เม็ด ทรายในทะเลท่านคำนวณได้หมดเลยว่าทรายในนั้นกี่เม็ดเนี่ยนะความสามารถท่านขนาดนั้นก็ยังไมเ่เข้าไม่ถึงความเข้าใจเรื่องพุทธประสงค์ของพระผู้มีพระภาคหรือยังไม่รู้อัธยาสายเช่นภาษารี่บทเนี่ยไปขอร้องให้พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยเลยพระองค์บอกว่าไม่ใช่กาละยังไม่ใช่กาภาษารี่บทขอให้บัญญัติวินยัยทั้งฉลาดขนาดนั้นน่าจะร่างขึ้นมาเลยนะแต่พระองค์บอกว่าไม่ใช่กาละช่วงนี้ที่จะบัญญัติพระวินยัย เพราะว่าจะต้องบัญญัติเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่างนั้นรู้ฐานะว่าฐานะนี้ควรบัญญัติพระวินยัยนี่นะอันเป็นเป็นพุทธวิสัยในการบัญญัติศิกาาขาเหล่านี้เมื่อสิกขาเหล่านี้เนี่ยศีลสิกขาเป็นต้นนี่นะปฏิโมขสังวรเจึงสําเร็จด้วยศรัทธาสําเรถถา็จด้วยศรัทธาอันถ้าตถาคตโพธิศรัทธาอ่อนเนี่ยนะคำว่าตถาคต เสด็จมาอย่างไรเสด็จไปอย่างไรเป็นต้นถ้าเราเข้าใจหรือศรัทธาในเรื่องนั้นอ่อนๆเ น, นี่ยนะแล้วก็มาข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงแนะ น, นำมาก็จะอ่อนตามไปด้วยตามไปด้วยตามไปด้วยแล้วก็ปัญหาสําคัญก็คือคนที่เราเกี่ยวข้องก็นะส่วนเป็นเรื่องอื่นถ้าส่วนใหญ่เราก็เลยไม่ได้หยิบยกในเรื่องเหล่านั้นมามาใคร่ครวนมาเพ่งมาพิจารณาแต่ของขามาก็มานึกถึงว่าเสัตว์นี่มีกรรมลักษณะนั้นแหละทำกรรมมาวิจิกันเหลือเกิน นะผู้ศาสนายังไงก็จะหมดจากโลกยังไงก็นึกถึงข้าวๆตัวไว้ก่อนนะเราอย่าเพิ่งเสริอมอย่าพูดศาสนาก็เอาละดวงอาทิตย์นะวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะดวงต้องเบลอเลยหายแล้วคือวันนี้นะครับมันเป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งนะซึ่งสามมงกว่านี่มันมืดเลยมันเหมือนกับเกือบจะเป็นกลางคืนนะ แล้วเราเห็นโอ้โหเนี่ยภัยเรามอเห็นโอ้โหภัยเดี๋ยวต้องมาภัยใหญ่แะ้วความจริงยังเกิดที่เราเนี่ยอาจจะน้อยนะแต่ว่าที่ที่เกิดจริงๆที่ศูนย์กลางนี่ต้องใหญ่มากนะต้องตลมต้องแรงฝนต้องตกหนักลูกเห็บลูกเห็บต้องตกใหญ่เลยลอมาคิถึงชีวิตของสัตว์เนรชานไม่รู้กี่พันล้านน่ะนะนะมดไม่รู้กี่ลังที่น้ําท่วมแมลงไม่รู้กี่สิบตัวที่จะต้องตายแล้วก็เกษตรกรถ้าเป็นชาวสวนนี่นะไม่รู้เท่าไหร่ที่เสียหาย น, นะคนที่ใช้ชีวิตตายเนี่ยขณะนั้นนั้นก็ไม่ใช่น้อยๆเลยคนที่กําลังประสบทุกอย่างร้ายแรงอดอยากหิวโหยเมื่อบรรยากาศนั้นนั้นมีไม่ใช่น้อยๆเลยอันภัยเหล่านี้เนี่ยก็มีเป็นปกติของโลกเลยนะนะอย่างสัตว์ในอ่าวาเนี่ยพวกพวกสัตว์เล็กๆเกนี่ยนะถ้ายิ่งเล็กเท่าไหร่นะฝนตกมาก้อนเดียวเท่านั้นแหละเขาก็เดินไปไม่รู้กี่กรเด็นนะเนี่ยนะตายไม่รู้กี่ตายนนะเพราะั้นนะเพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยก็น่าน่าสงสารมะ ที่ที่เป็นลักษณะนี้ไม่ใช่น้อ ย, อยเพียงแต่ว่าเราไม่เคยเห็นภัยของโลกอ่ะอย่างที่ว่าเนี่ยนะบ้านที่แยกเนี่ยไม่ใช่บ้านเราเราก็ยิ้มต่อไปได้ตาบาลบ้านเราที่นั่งหัวเราะได้ออกที่ไหนใช่ไหมอันที่จริงบ้านเรานะฮะภยัยพวกนี้น้อยที่สุดละในโลกเนี่ยนะเราพูดได้เลยเนะี่ยภเขาไฟเราไม่เคยเจอเลยไม่มีใตฝุ่นนะเราเจอหางๆมันนะได้ฝนด้วยนะมันก็มาสลายาที่ถแถวเวียด น, นามอะไรพวกนั้นนะฮะ เราเราก็ได้ฝนแต่ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับและไอ้ไอ้โคลนถล่มไม่ค่อยเจอแล้วครับไอ้ ي, พายุเจอหนไม่กี่หนนะครับแถวภาคใต้กับจุดเล็กๆทั้งนั้นนะไม่ใหญ่เลยนะครับแผ่นดินไหวนะเราก็นิดๆหน่อยๆนะที่อื่นโอ้ยน่ากลัวแค่ไหนครับใช่อของเรานี่เรียกว่าดีที่สุดเลยครับใช่แล้วก็ภายภัยในโลกนี้ไม่ไม่ใช่ธรรมดา แต่ว่า อ, อย่างภัยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะที่ที่คนเขาไม่ได้มาเล่าให้เราฟังเนี่ยถ้าสมัยนี้เนี่ยดีว่าคนเจ็บคนป่วยเนี่ยนะเข้าโรงพยาบาลหมดเนี่ยนะก็คือมีที่เก็บคนป่วยไว้ต่างหากอย่างนั้นเถอะไม่ออกมาเพ่นพ่านให้เราเห็นเหมือนสมัยโบราณถ้าเป็นสมัยก่อนที่ไม่มีโรงยาโรงพยาเนี่ยนะโอ้ยเดี๋ยวก็มานั่งอยู่แถวใต้ถุนเนี่ยเดินไปตรงไหนก็เห็นแต่คนร้องโอดโอยพร้อมกระรองอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยนะ คนที่มีแผลเน่าเฟะไปทั้งตัวเอาใบตองกล้วยเนี่นะมารองแล้วก็นอนไปนคือสมัยก่อนนี่เห็นหมดถามว่าสมัยนี้เป็นแบบนั้นไหมเป็นแต่มีที่เก็บไปอย่างดีโร<ล>คเรื้อน เ, เก็บไปพวกโรคเอดเก็บไปพวกพวกผ่าตัดพวกแขนกุดขาด้วนเนี่ยนะเข้าไปอยู่พวกหนึ่งก็บอกถ้าไม่หายไม่มีใครเห็นเลยเก็บอย่างดีนคนตายสมัยก่อนขึ้นอืดขึ้นพองให้เห็นสมัยนี้ลงอย่างดีเรียบหมดเลย งามหมดเลย น, เนี่นะครับเดียวเนี่ยนะระเบิดตุ่มหายหมดละเป็นฝุน่นละอองธุลีหาไม่เจอละนี่นะไม่มีอะไรให้พิจารณาสักอย่างอันอสังเวกขวัตถูกไม่ค่อยมีเมื่อสังเวกขวัตถูกอ่อนนั้นก็ตันหาก็ฉาบทาไปเรื่องอื่นนี่นะก็อย่างเห็นคนประสบอุบัติเหตุก็ไม่ใช่เราอ่ะนะเฉยเฉอีกนี่นนะจำภาพได้เผมมันสมองเนี่ยมันตกข้างข้างข้า ง, า ง, า ง, างรถเนี่ยนะ ก็เป็นข่าวคร่าทุ่ ง, งมัมนเราต้องพยายามที่จะเจริญสังเวชวัตถุมากๆแล้วก็จะได้เจริญจิตเป็นกุศลเยอะเนี่ยนะถ้ากุศลจิตเราเกิดไม่เพียงพอเนี่ยการพิจารณาธรรมะเหล่านี้เนี่ยลงมาเชื่อว่าไม่ใช่ฐานะแน่นอน <ะ S 2> เป็นไปไม่ได้อย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงในกิมมัติยะสูตรเป็นต้นเนี่ยนะถ้าพวกกุศลจิตกุศลแศีลเป็นต้นไม่มีอุปนิสัยเนี่ยตัดขาดหมดเพราะอุปนิสัยตัดขาดปั๊บเนี่ยนะ เราไม่บริสุทธิ์พอสติปัญญาไม่มากพอเราก็บอกว่าคงไม่ใช่ัหมมีเลยนะบางท่านปฏิเสธอย่างนั้นเลยวิสุทธิมรรคไม่น่าจะปฏิบัติตามได้นะบางคนก็พูดในลักษณะนั้นไปเลยถ้าอย่างนั้นก็โหศัก์โลกก็เป็นไปตามกรรมนะคําพูดเหล่านั้นขออย่าได้หลุดมาจากปากเราเนี่ยใช้ได้นะ ข, ไของใครก็เสร็ แล้วก็ยังไงก็เชื่อนะว่าชาวนะดวงที่หนึ่งเนี่ยให้ผลชาตินี่ใครทำอะไรก็ น, นะจะสมควรแก่เหตุแต่ผลละ mm hmm. คือถ้าหากว่าเรื่องที่ที่พูดไปวันนี้นะาสามารถดูได้ในสองแห่งนั่นะในวิสุทธิมรรคกับในปฏิสัมพิธามน ะ, นะสองแห่งนี้อธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดขออนุญาตประสการถามปัญหานะครับ <c oughs> ในอุทภัณยยา์ที่ว่า จะเกิดอิปัสสนุกิเลส10นึ่นนะครับถ้าหากเกิดแล้วนะแล้วเข้าใจผิดนะคิดว่าตัวเองบรรลุนั้นก็จะเกิดผลร้ายก็อยากน้อมสังขาราว่าควรจะมีาการยามิตรคอยดูแลหรือไม่ในระหว่างที่ทำนิพพานาถึงระดับนี้ก็ความรู้ในคำสอนนี่ให้มากๆนะความรู้นี่แหละจะช่วยได้ นะเวลาถ้าส่วนหนึ่งนะอยะว่าไอระดับนี้เลยต่ากว่านี้เนี่ยนะคนที่ปฏิบัติได้แบบนั้นไม่ฟังใครง่ายๆหรอกเนยนะมีความเชื่อมั่นตัวเองจนนึกว่าใดดีไปนานแล้วนึกว่าบรรลุไปนานแล้วเนะชื่อมั่นตัวเองขนาดว่านนะในในคัมภีร์เนี่ยกล่าวไวพ้พระพะติระ บ, บางองค์เลยนะเชื่อมือตัวเองว่าเป็นแบบเนี้ยพอวิปัสสนู ป, ปกเกเรตเกิดหกสิปีอะ นนะจนพระอารหันต์องค์หนึ่งเนี่ยนะจึงไปแก้ได้มีมีอรหันต์องค์มีพระเทเรองค์หนึ่งเนี่ยท่านนึกว่าท่านท่านได้วิปัสสนูปกรณ์และท่านได้ฌานด้วยนะเพราะนั้นอาศัยฌานด้วยอาศัยวิปัสสนูท่านนึกว่าท่านเป็นพระอารหันต์นั้นสแสดงฤทธิ์ได้อย่างชํานาญอย่างอะไรเนยทีนี้ตอนหลังนี่ก็ก็คุยกันว่าเออพระองค์นี้เนี่ยพระวิสาขาเนี่ยเก่งมากก็ไปถามว่าคุณธรรมอันนี้อาจารย์ได้เมื่อไร่บอกาอนานแล้วหกสิบปีแล้ว บอกว่างั้นขอให้เนรมิตรช้างสักตัวหนึ่ทงท่านก็เนรโอ้ไม่ใช่ของอยากนะเนี่ยเนรมิตรช้างขึ้นมาเผืกตัวใหญ่มา ก, กแล้วก็บอกว่าให้ช้างเนี่ยนะเปล่งเสียงให้ดังที่สุดแล้ววิ่งมาใส่พทกบช้างหนึ่งเนี่ยนะเสร็จแล้วพอช้างวิ่งมาเนี่ยกลัวนะท่านก็จับจีวรนะจาร่างภาพเนรมิตรงั <laughs> ้นรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยก็นั่งกระโยงว่างั้นขอให้สงเคราะห์ให้หน่อยว่างั้น บอกว่าภาคธีระเป็นคนโทสะเจริตแล้วครับปฏิบัตินะพอเห็นโทษว่าที่ได้นั้นเป็นวิปสัสสุทธั้งก็ปฏิบัติภักเดียวท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้แต่ถ้าถ้าธรรมดาแล้วเชื่อมือตัวเองจนไม่ไม่ได้ฟังใครง่ายๆหรอกแค่เรียนแบบแค่เราเห็นเนนี่ก็เชื่อมือตัวเองจนเปลี่ยนไม่ได้แล้วไม่ต้องไปได้ขนาดนั้นแล้วยังยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยก็ยังเชื่อมั่นซะจน ออมายังนึกนะเอ๊ะเอาอะไรมาเชื่อมันกันนักนะมาเชื่อของเรานี่มันเปลี่ยนอยู่เกือบทุกวันอ่ะ <c oughs>